สำหรับผู้ที่นั่งอยู่ที่ศาลาที่หลังนี้ถ้านั่งฟังธรรมก็ขอให้นั่งฟังไปอย่าลุกเข้าลุกออกถ้าคิดว่านั่งแล้วต้องลุกไปเข้าห้องน้ำหรืออะไร mm hmm. ก็ไปนั่งอีกศาลาหลังๆที่หลังก็ได้เพราะที่นี่ถ้ามันลุกและเข้าออกเนมันรบกวน ถ้าจะนั่งตรงนี้ที่ศาลาหลังนี้ก็นั่งฟังไปจนกว่าจะจบจบแล้วค่อยลุกแต่ถ้าอยากจะลุกก่อนก็ไปนั่งอีกศาลาที่อยู่ด้านหลังได้ไม่ว่ากันอยู่ที่ด้านหลังจะลุกเข้าลุกออกอยังไงก็ได้เพราะเพราไม่มารบกวนที่นี่ คำว่ากรรมแปลว่าอะไรกรรมแปลว่าการกระทำไม่ได้แปลว่าบาปแต่เรามักจะใช้คำว่ากรรมแทนคำว่าบาปเช่นเราพูดว่าบุญกรรมความจริงเราหมายถึงบุญบาปบุญกรรมนี่เอาคำว่ากรรมมาแทนคำว่าบาป แต่ความหมายจริงๆของคำว่ากรรมแปลว่าการกระทาการกระทาก็มีสามแบบด้วยกันคือกระทาทางกายเวลาเราเคลื่อนไหวร่างกายออยกของ เ, ออเดินไปไหนมาไหน ทำอะไรที่มีการเคลื่อนไหวทางร่างกายเราเรียกว่ากายกรรมแต่ไม่ใช่กายกรรมอย่างที่เราใช้ในภาษาทางทางโลกคือกายกรรมก็คือการแสดงอย่างหนึ่งที่ใช้ร่างกายผาดโผนห้อยโนอันนั้นก็เรียกว่ากายกรรมแต่กายกรรมนี้นในทาง ธรรมะนี่หมายถึงการเคลื่อนไหวทางร่างกายเช่นเดินไปทําอะไรยกข้าวยกของเขียนหนังสือทําอะไรด้วยร่างกายเราเรียกว่ากายกรรมเป็นกรรมอย่างหนึ่งเป็นการกระทาอย่างหนึ่งการกระทา อ, อีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าวาจีกรรม อันนี้ทำด้วยวาจาด้วยคำพูดเวลาเราพูดนี่เรากำลังเรากาลังทำวจีกรรมกันมีการกระทำทางวาจาแล้วก็การกระทำาอกอย่างที่สามเรียกว่ามาโนกรรมมโนแปลว่าใจ การกระทาทางใจการกระทาทางใจคืออะไรก็คือความคิดต่างๆเราคิดถึงคนนั่นคิดถึงคนนี้คิดจะมาวัดคิดจะไปเที่ยวคิดจะไปโรงเรียนคิดจะอ่านหนังสือความคิดเหล่านี้เรียกว่ามาโนกรรมนี่คือการกระทาที่ได้หลัก ทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่ากรรมที่การกระทานี้ทำแล้วทำให้เกิดผลขึ้นมาสามชนิดด้วยกันทำแล้วให้เกิดผลดีทำแล้วให้เกิดผลไม่ดีแล้วทำให้เกิดผลกลาง ไม่ดีไม่ชั่ว ม, มีอยู่สา ม, มการกระทำนี้ทำแล้วจะทำให้มีผลตามมามคือมีผลดีผลไม่ดีและผลกลางๆที่เรียกว่าไม่ดีไม่ชั่วนี่คือเรื่องของกรรมทุกครั้งที่มีการกระทำ ไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจจะมีผลเกิดขึ้นผลดีเราเรียกว่าบุญดีอย่างไรคําว่าบุญก็คือความสุขใจอิ่มใจทําความดีแล้วเราเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาทําความไม่ดีทําไม่ดีก็เกิด ผลไม่ดีคือความไม่สบายใจทามาความร้อนใจความทุกข์ใจความไม่สบายใจเรียกว่าบาปนผลที่เกิดจากการกระทำที่ไม่ดีเรียกว่าบาปเพราะทำแล้วทำให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาการกระทำชนิดที่สามทำแล้ว ไม่ได้เกิดผลดีหรือผลเสียคือไม่ได้ทําให้ใจสุขหรือใจทุกข์อันนี้เรียกว่าเป็นการกระทําแบบกลางๆนี่คือการกระทําต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจทำแล้วจะทําให้เกิดความสุขใจหรือทุกข์ใจ หรือไม่สุขไม่ทุกข์ใจนี่สามนี่แหละคือตัวที่ทำให้ใจเราสุขกันหรือทุกข์กันหรือไม่สุขไม่ทุกข์กันไม่ได้อยู่ที่ใครเลยไม่ได้อยู่ที่อะไรเลยอยู่ที่การกระทาของเรานี่แหละหทางกายทางวาจาและทางใจ การกระทาทางวาจาและทางใจนี้จะต้องมีการกระทาทางทางใจการกระทาทางกายทางวาจาจะต้องมีการกระทาทางใจเป็นผู้สั่งการก่อนที่เราจะพูดหรือจะทำอะไรทางร่างกายได้เราต้องคิดก่อนเราต้องมีความคิดก่อนนะ คิดจะพูดถึงพูดได้คิดจะทำทางร่างกายถึงจะทำได้ น, นี่คือเรื่องของกรรมการกระทําที่เราทากันอยู่ตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาจนถึงเวลาหลับแม้แต่เวลาหลับบางทีเราก็ยังทำเวลาที่เรา ฝันนี้ก็เรียกว่าเป็นมโนกรรมเป็นการกระทําด้วยความคิดนีความความฝันก็คือความคิดของเรานี่เองเรานอนหลับร่างกายหยุดทํางานร่างกายไม่เคลื่อนไหวไม่มีกายกรรมไม่มีวจีกรรมไม่มีการพูดแต่ยังมีการคิดได้อยู่อนอนหลับแล้วก็คิดขณะที่ไม่หลับก็คิด ที่นอนไม่หลับก็เพราะคิดมากก็มีบางทีคิดมากคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ทําให้นอนไม่หลับนี่คือมโนกรร ม, มการกระทําทางใจการกระทําทางใจก็มีผลถึงแม้จะไม่ได้ผ่านทางวาจาหรือทางใจคิดดีก็ทําให้สุข ก่อความสุขใจขึ้นมาได้คิดไม่ดีก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้เช่ yeah. mm hmm. นถ้าคิดอาฆาตพยาบาทคิดลิศยา mm hmm. คิดโลภอย่างนี้ก็จะทำให้ใจไม่สบายขึ้นมาได้ yeah. ถ้าคิดแบบไม่โลภ mm hmm. ไม่ริษยาไม่อาฆาตพยาบาทใจก็จะสุข mm hmm. คือคิดทำสิ่งที่ดีคิดทำบุญคิดให้ทานคิดรักษาศีลอย่างนี้คิดแล้วก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมานี่คือเรื่องของกรรมที่ทำให้มีผลเกิดขึ้นที่ใจของเราคือสุข หรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ทีนี้เรามาดูตัวอย่างของการกระทำที่ทำให้เกิดความสุขใจการกระทำที่ทำให้สุขใจก็คือการทำบุญเวลาเราทำบุญคือทำความดีการทำความดีหมายถึงอย่างไร ก็ทำให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเขาได้รับความสุขจากการกระทาของเราเช่นเราเอาเงินทองไปให้คนนั่นคนนี้เราได้เงินทองได้รับการช่วยเหลือจากเราเขาเกิดความสุขใจเราก็เกิดความสุขใจตาม เห็นเขามีความสุขจากการกระทาของเราเห็นเขายิ้มให้ของเขาแล้วเขายกมือไหว้เขายิ้มเราก็มีความสุขใจอันนี้เรียกว่าการทําบุญทําความดีไม่ว่าจะเป็นทําด้วยกายหรือทาด้วยวาจาบางทีเราไม่มีเงินทองให้เขาแต่เรามีความรู้ เราเอาความรู้นี่มาสอนให้เขารู้อะไรที่เขาไม่รู้เช่นเด็กเขาเรียนหนังสือเขาทาการบ้านไม่ได้ให้เรามาช่วยสอนเขาพ อ, อเราสอนให้เขาทำการบ้านได้เขาก็ดีใจแต่เราอย่าไปคิดเงินนะถ้าคิดเงินก็ไม่ดีใจต้องทำให้ฟรี ต้องทำให้คนเขาได้มีความสุขถ้าเอาเงินเขาแทนที่เขาจะสุขเขาอาจจะทุกข์เพราะเขาไม่มีเงินจะให้หรือเขาจะต้องไปหาเงินมาให้เราเราถึงจะทำให้เขาอย่างนี้ไม่เป็นบุญอย่างนี้เรียกว่าเป็นการซื้อขายเป็นการค้าถ้าเป็นบุญเป็นการทำความดี ต้องไม่เรียกผลตอบแทนไม่เรียกสิ่งตอบแทนไม่มีค่าจ้างไม่มีทำให้ฟรีๆทำประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่นเรียกว่าเป็นการกระทำความดีพอทำแล้วเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมาการกระทำความดีทางกายหรือทางวาจาก็ต้องมีใจคิดก่อนคิดว่าจะไปทำความดีวันนี้ วันนี้อยากจะไปช่วยคนนั้นช่วยคนนี้ให้เขามีความสุขเช่นวันนี้วันเกิดเพื่อนฝูงอยากจะให้ก็มีความสุขก็ซื้อของขวัญไปให้เขาในวันเกิดของเขาอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำความดีทำแล้วก็เกิดความสุขใจขึ้นมาเรียกว่าบุญคาว่าบุญนี้แปลว่าสุขใจ ดังนั้นการทำบุญจึงไม่จำเป็นจะต้องทำกับพระอย่างเดียวถึงจะเป็นบุญบุญนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะทำกับใครถ้าทำให้เขามีความสุขแล้วก็จะเกิดบุญขึ้นมาในใจเราแม้แต่ทำให้กับสุนัข ก, กับแมวหรือสัตว์ต่างๆเราก็ได้บุญเหมือนกันได้ความสุขใจเวลาที่เราได้ช่วยเหลือสัตว์ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน ให้เขามีความสุขเราเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขคนที่เลี้ยงสุนัขนี่เลี้ยงแล้วเขามีความสุขเห็นสุนัขมันมีความสุขมันแทนที่มันจะทุกข์เห็นมันหิวโซเซมาไม่มีใครดูแลไม่มีใครเลี้ยงดูพอเราเอามาเลี้ยงทำให้เขามีความสุข เขากระโดดลอดเต้นวิ่งไปวิ่งมาทำอะไรต่างๆเราเห็นเขาเราก็มีความสุขอันนี้ก็เรียกว่าบุญความสุขใจดังั้นการทำบุญนี้ทาได้กับใครก็ได้ทำแล้วขอให้เขามีความสุขจากการกระทำของเราแล้วเราก็จะได้ความสุขใจกลับมา นี่เรียกว่าการกระทำกระทำเรามักจะเรียกว่าทําบุญแต่ความจริงมันเป็นการกระทําความดีที่ทําให้เกิดผลคือบุญเกิดความสุขใจขึ้นมาออออแล้วผลที่เกิดขึ้นจากการทําความดีหรือทําความชั่วนี้นอกจากเกิดขึ้นในขณะที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้แล้ว ได้รับในขณะที่เราทำมันยังมีผลต่อมาในอนาคตอีกออเช่นถ้าเราทำความดีความดีเหล่านี้จะสะสมอยู่ในใจเราเวลาที่เราตายไปเวลาที่เราไม่มีร่างกายความดีที่เราทำความสุขใจที่เราสะสมนี้มันก็จะ เป็นตัวหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความสุขในช่วงที่เราไม่มีร่างกายธรรมดาเราจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆแต่พอเวลาที่เราไม่มีร่างกายเราก็ต้องอาศัยบุญที่เราทําไว้นี้มาเป็นผู้ผลิตความสุขให้กับเรา เ, ออเราจะดู เราจะดูตัวอย่างของบุญในขณะที่เราไม่มีร่างกายได้เช่นในตอนที่เรานอนหลับเนเวลาเรานอนหลับนี่เราก็เป็นเหมือนคนตายร่างกายนอนเฉยๆเหมือนคนตายไม่ทำอะไรเราไม่สามารถเอาร่างกายมาทำอะไรให้เกิดความสุขกับเราได้ในตอนที่เรานอนหลับ ตอนนั้นเราก็เลยต้องอาศัยบุญที่เราทำไว้มาเป็นตัวผลิตความสุขให้กับเราที่เรานอนหลับแล้วเราฝันดีถ้าเราฝันดีก็แสดงว่าบุญที่เราทำไว้เป็นผู้ที่มาทำให้เกิดความฝันดีนี่คือบุญที่เราจะได้รับ หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วตอนที่เราไม่มีร่างกายนี้ใจเราก็เป็นเหมือนเหมือนคนที่นอนหลับไม่มีร่างกายใจจะหาความสุขก็ต้องหาความสุขจากบุญที่ได้ทำไว้บุญนี้ก็จะเป็นผู้ที่มาสร้างความสุขในรูปแบบของความฝันต่าง ดัง น, นตอนที่เราตายนี่ก็เหมือนกับนอนหลับฝันไปนี่ฝันไปจนกว่าเราจะไปได้ร่างกายอันใหม่เราก็จะตื่นขึ้นมาใหม่แต่ตื่นด้วยร่างกายอันใหม่เหมือนไปเปลี่ยนร่างกายร่างกายอันเก่าที่เรามีอยู่มันหมดสภาพไม่สามารถที่จะอยู่ต่อไปได้ มันก็หยุดหายใจเอามันหยุดหายใจใจของเราที่ยังต้องพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขก็เลยไปหาไปรอรับร่างกายอันใหม่จากพ่อแม่คนใหม่ตอนที่รอรับก็เป็นเหมือนตอนที่นอนหลับตอนนั้นก็จะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ที่ฝันดีก็เพราะบุญที่ทําเอาไว้เป็นผู้ทําให้เกิดฝันดีส่วนที่ฝันร้ายก็เป็นเพราะบาปที่ทําเอาไว้ เ, เวลาทําบาปนี้ใจเราจะไม่สบาย เ, าเวลานอนหลับมันก็จะมีแต่เรื่องไม่สบายมาปรากฏในฝัน เ, เรียกว่าฝันร้ายฝันร้ายเป็นผลของบาปฝันดีเป็นผลของบุญ ตอนที่เราตายก็เป็นเหมือนตอนที่เรานอนหลับต่างกันตอนตรงที่ว่าเวลาเราหลับเราหลับไม่นานเจดแปดชั่วโมงเราก็ตื่นขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่มีร่างกายเวลาที่ร่างกายตายเราก็หลับแต่หลับยาวอาจจะเป็นปีปีหลายปีจนกว่าเราจะได้ร่างกายอันใหม่เราถึงจะตื่นขึ้นมาใหม่ ช่วงที่เรานอนหลับช่วงที่เราไม่มีร่างกายเราก็อยู่กับบุญกับบาปไปบุญถ้าเป็นบุญบุญก็จะผลิตความฝันที่ดีให้เราได้เสพได้สัมผัสถ้าเป็นบาปบาปก็จะเป็นผู้ผลิตความฝันที่ไม่ดีให้เราได้สัมผัสเนีช่วงที่เราฝันดีในขณะที่เราไม่มีร่างกายเราเรียกว่าสวรรค์ชั้นต่าง สวรรค์ก็คือความสุขใจในขณะที่ไม่มีร่างกายเวลาใจฝันดีใจก็อยู่สวรรค์ฝันดีก็มีหลายระดับฝันดีมากฝันดีน้อยแล้วแต่กำลังของบุญที่ทำไว้ว่าทำมากหรือทำน้อยทำมากก็จะฝันดีมากทำน้อยก็จะฝันดีน้อย ยังมีสวรรค์ชั้นต่างๆแต่ละชั้นก็มีความสุขมากน้อยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับบุญที่ทำไว้คนที่ทำบุญเวลาไม่มีร่างกายก็จะไปอยู่สวรรค์ชั้นต่างๆกันไม่ได้อยู่ชั้นเดียวกันนอกจากทำบุญเท่ากันก็จะไปอยู่ชั้นเดียวกันบาปก็เหมือนกันเวลา ที่ฝันลายมันก็จะเป็นบาป<ม>ก็เป็นผลที่เกิดจากการทำบาปเวลาฝันลายเราก็เรียกว่ากำลังอยู่ในอบายอบายนี้ก็มีอยู่สมส่วนที่เป็นส่วนที่ไม่มีร่างกายคือเปรตอสูรกายและนรก ถ้าฝันร้ายเกี่ยวกับเรื่องความอดอยากขาดแคลนหิวโหยเรียกว่าเปรตถ้าฝันร้ายด้วยความเหตุการณ์น่าหวาดกลัวหวาดเสียวต่างๆเรียกว่าอสุ ร, รากายถ้าฝันร้ายด้วยความาเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมกันก็เรียกว่านรกนี่คือตอนที่ไม่มีร่างกาย แต่ถ้าไปมีร่างกายก็จะไปมีร่างกายของสัตว์เดรัจฉานเพราะว่าเป็นผลของบาปถ้าไปเกิดก่อนมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานก่อนก่อนจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ต้องไปเป็นเดรัจฉานก่อนจนกว่าบาปที่ได้ทำไว้มันหมดกำลังลงมันถึงพาให้เรามารอรับการมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไป พวกที่ไปรับผลบุญก็เหมือนกันพอกำลังบุญหมดก็จะให้มารอรับร่างกายอันใหม่ของมนุษย์มาเกิดใหม่นี่คือเรื่องของกรรมที่ทำแล้วมันจะส่งผลให้แก่จิตใจตั้งแต่เวลาที่ทำเลย ทำปุ๊บก็ได้ผลทันทีทำก็เกิดความสุขใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีหรือเกิดความไม่สุขไม่ทุกข์ใจแล้วเวลานอนหลับก็จะฝันดีฝันร้ายถ้าเป็นบุญก็จะฝันดีถ้าเป็นบาปก็จะฝันร้ายและเวลาตายไม่มีร่างกายก็จะฝันดีฝันร้ายไป จนกว่าจะหมดกําลังของบุญของบาปแล้วก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้ร่างกายอันใหม่ก็เหมือนกับตื่นขึ้นมาใหม่เวลาเราได้ร่างกายใหม่พอออกจากท้องแม่มาก็ลืมตาลืมตาก็ตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาทีนี้เรามีร่างกายเราก็ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุข แทนที่จะใช้บุญใช้บาปเพราะตอนนั้นบุญกับบาปมันก็เหมือนกับมันหมดกำลังเราก็เลยต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขหาความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายอย่างที่เราหากันอยู่ทุกวันนี้และในช่วงที่หาความสุขเราอาจจะหาความสุขโดยวิธีไม่ทำบาปก็ได้ หรือบางทีเราก็อาจจะไปหาโดยวิธีทำบาปก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับนิสัยเดิมของเราถ้านิสัยเดิมของเราชอบทำบาปเราก็จะมาทำบาปต่อถ้านิสัยเราไม่ชอบทำบาปเราก็จะไม่ทำบาปเราก็จะอดทนรอไปก่อนถ้ายังไม่ได้ความสุขจาก สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะไม่มีเงินไปซื้อมาก็อดทนไปทำงานหาเงินหาทองเก็บเงินเก็บทองไว้ก่อนพอได้เงินแล้วก็ไปซื้อของที่เราอยากได้มาให้ความสุขกับเราถ้าเราเป็นคนที่มีนิ ส, สัยไม่ชอบทําบาปหรือคนที่มีนิ ส, สัยแบบกลางๆาง ทำบาปก็ได้ไม่ทำบาปก็ได้ก็อาจจะถูกเหตุการณ์มาบังคับก็ได้ถ้าอยู่มีเหตุการณ์ที่บังคับให้เราทำบาปเราก็อาจจะทำบาปถ้าไม่มีเหตุการณ์มาบังคับให้เราทำบาปเราก็จะไม่ทำบาปก็ได้คนที่มาเกิดนี่มีนิสัยอยู่สามแบบด้วยกันนิสัยชอบทำบาปนิสัยชอบทำบุญนิสัยกลางกลาง บาปก็ไม่ชอบทำบุญก็ไม่ชอบทํอแต่ทําได้ทั้งบุญทั้งบาปแล้วแต่เหตุการณ์หรือเพื่อนฝูงจะพาไปเพื่อนฝูงชวนไปทําบาปก็จะไปทํากับเขาเพื่อนฝูงชวนไปทําบุญก็จะไปกับเขาก่อนที่มีนิสัยกลางกลางคือไปได้ทั้งสองทางแล้วแต่เหตุการณ์จะมาฉุดลากไป ส่วนคนที่มีนิ ส, สัยชอบทำบุญถึงแม้มีเหตุการณ์จะมาดึงให้ไปทำบาปก็จะไม่ไปเพราะไม่ชอบทำบาปชอบทำบุญคนที่มีนิ ส, สัยชอบทำบาปถึงแม้มีเหตุการณ์มีเพื่อนฝูงมาชวนให้ไปทำบุญก็ไม่ชอบไปชอบไปทำบาสนี่คือลักษณะของจิตใจของผู้ที่มาเกิดในโลกนี้พ่อชาติก่อนๆเคย ทำบุญทำบาปมาจนติดเป็นนิสัยมีนิสัยอยู่สามแบบนิสัยชอบทำบุญนิสัยชอบทำบาปนิสัยกลางๆทำบาปก็ได้ทำบุญก็ได้แล้วแต่อารมณ์บางทีก็อยู่ที่อารมณ์บางทีอารมณ์ดีก็ทำบุญเวลาอารมณ์ไม่ดีก็ทำบาปหรือมีเพื่อนฝูงมาชวนให้ไปทำบุญก็ไป เพื่อนฝูงมาชวนให้ไปทำบาปก็ไปเพื่อนชวนไปกินเหล้าก็ไปเพื่อนชวนให้ไปยิงนกตกปลาก็ไปถ้ามีนิสัยที่กลางๆใครมาชวนไปทางไหนก็ไปได้มีเพื่อนมาชวนไปทำบุญก็ไปส่วนพวกที่มีนิสัยชอบทำบาปใครจะมาชวนไปทำบุญก็ไม่ไปแต่ถ้ามาชวนไปทำบาปไปทันที โปรตี่มีนิสัยชอบทำบุญใครยะมาชวนไปทำบาปก็ไม่ไปใครมาชวนมาทำบุญไปทันทีนี่คือสาเหตุทำไมคนเราจึงมีการทำบุญและทำบาปกันเพราะส่วนหนึ่งก็อยู่ที่นิสัยเดิมส่วนที่สองก็อยู่ที่เหตุการณ์หรือบุคคลแวสิ่งแวดล้อมทำให้ไปทำบาหรือทำบุญ อยากได้ข้าวของที่ไม่มีไม่มีเงินซื้อก็ไปทำบาปไปขโมยถ้ามีนิสัยถึงแม้อาจจะไม่มีนิสัยชอบทำบาปแต่ถ้ามีความอยากได้ของนั้นมากๆก็อาจจะไปขโมยได้ส่วนพวกที่ทำบุญถึงแม้ไม่มีนิสัยทำบุญอาจจะทำบุญก็เพราะว่าเกิดมาแล้ว โชคดีมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้ก็บางทีก็เอาไปแจกคนนั้นแจกคนนี้ไปช่วยคนนั้นช่วยคนนี้ก็ได้ทำบุญทั้งทั้งที่นิสัยอาจจะไม่ชอบทำบุญก็อาจจะไปทำบุญแต่ถ้าคนที่ชอบทำบุญอยู่แล้วถ้ามามีเงินทองเหลือกินเหลือใช้ก็จะเอาไปทำบุญหมดนี่คือททำไมคนเรามาเกิดจึงมา ทำบุญทำบาปไม่เหมือนกันไม่เท่ากันทำไมคนนี้ชอบทำบุญทำไมคนนั้นชอบทำบาปทำไมคนนี้ทำได้ทั้งสองอย่างบาปก็ได้บุญก็ได้ก็เพราะว่ามีนิ ส, สัยมีพื้นเพมาไม่เหมือนกันนี่คือเรื่องของกรรมที่เรียกว่าการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจ การกระทําบาปก็คือการกระทําที่ทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเสียหายพอทําให้คนอื่นเขาเสียหายเดือดร้อนเราก็ไม่สบายใจความไม่สบายใจนี้เรียกว่าบาปใจร้อนขึ้นมาไปทําบาปแล้วใจจะไม่สบายไปลักทรัพย์ของผู้อื่นทําให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเสียหายเราก็จะไม่สบายใจแต่เรา แต่เราอยากได้ของเราไม่มีเงินเราก็เลยต้องไปขโมยเงินของคนอื่นมาใจก็เราก็เลยสะสมบาปไวเนี่ยบาปแต่ละครั้งที่เราทำนี่ก็เป็นเหมือนเราเอามาเก็บไว้สะสมไวในตู้ใจเราเป็นเหมือนตู้ที่เราจะเก็บของไว้เก็บบุญเก็บบาปไว แล้วเวลาที่เรานอนหลับหรือเวลาที่เราตายบุญกับบาปนี่ก็จะเป็นตัวที่จะมาแสดงผลให้กับเราถ้าบุญมากกว่าบาปบุญก็จะแสดงผลก่อนถ้าบาปมากกว่า บ, บุญบาปก็จะแสดงผลนี่คือเรื่องของกรรมคือการกระทาของเรา ส่วนการกระทาที่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปนี้เป็นอย่างไรก็การกระทาที่ไม่ได้เกิดโทษเมื่อเกิดประโยชน์กับคนอื่น เ, เช่นเราออกกำลังกายเราทำอะไรเกี่ยวกับการดูแลร่างกายเหล่านี้ไม่ได้เป็นการกระทาบุญเมื่อทำบาปไปตลาดไปซื้อกับข้าวมาทำกับข้าวกินไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปจะเป็นบุญต่อเมื่อเรา แบ่งกับข้าวให้คนอื่นกินเห็นขอทานไม่มีข้าวกินก็เลยแบ่งกับข้าวให้ขอทานกินหรือแบ่งกับข้าวไว้ใส่บาตรให้พระถึงจะได้เป็นบุญถ้าทำกับข้าวแล้วกินเองไม่แบ่งให้ใครนี่ก็ไม่ได้เป็นบุญหรือถ้าไปหาอาหารมาด้วยการไปขโมยขโมยเงินไปซื้ออาหารซื้อกับข้าวมาทาอันนี้ก็จะเป็นการทาบาป แต่ถ้าเรามีเงินไปซื้อกับข้าวที่ตลาดมาทำมากินอย่างนี้ก็ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปก็จะไม่มีผลต่อจิตใจคือใจจะไม่รู้สึกทุกข์รู้สุกจากการกระทำการทำที่เป็นกลางๆไม่เป็นบุญหรือไม่เป็นบาปนะฮะเช่นเราออกกําลังกาย เราไม่สบายเราไปหาหมอทำอะไรต่างๆทำให้กับร่างกายของเราเนี่ไม่มีไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปไม่มีผลต่อจิตใจไม่ได้ทำให้ใจทุกข์หรือใจสุขเหมือนกับเวลาเราทำกับคนอื่นทำกับคนอื่นนี่จะมีผลทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนี่มันจะมีผลให้เราไม่สบายใจ ทำให้คนอื่นเขามีความสุขมันก็จะทําให้เราสบายใจมีความสุขขึ้นมานี่คือเรื่องของคําว่าบุญหรือบาปหรือไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปที่เราทํากันอยู่ทุกวันเวลาด้วยด้ว ย, ด, วยด้วยการด้วยการกระทําผ่านทางร่างกายหรือทางวาจาโดยมีความคิดเป็นผู้ริเริ่มเป็นผู้สั่งการ ใจต้องเป็นผู้สั่งการก่อนถึงจะเกิดการกระทาทางวาจาและทางกายได้จะจะทำให้คนอื่นเขาเสียใจจากการพูดของเราเราก็ต้องคิดก่อนพูดยังไงดีทำให้มันเจ็บให้มันแสบอันนี้ก็ด่าเขาอย่างไรทำให้เขาเจ็บแสบนี่ก็ต้องคิดก่อนคิดแล้วก็พูดออกไป หรือจะทำอะไรให้เขาเจ็บแสบเครียดแค้นก็ค้อนตีหัวมันดีไหมอันนี้ก็ต้องคิดก่อนการกระทำทางวาจาและทางใจนี้ต้องผ่านทางวาจาและทางกายนี้ต้องผ่านต้องรอให้ใจเป็นผู้สั่งการก่อนเพราะใจเป็นนายร่างกายกับวาจาเป็นบ่าวเป็นผู้รับคำสั่งจากใจอีกทีหนึง่ง ดังนั้นถ้าเราอยากจะทำแต่ความดีไม่อยากจะทำความชั่วไม่อยากจะทำสิ่งที่ทำให้ใจเราไม่สบายใจอยากจะทำแต่สิ่งที่ทำให้เราสบายใจเราต้องมาควบคุมใจของเราให้มันคิดไปในทางที่ดีอย่างเดียวคิดในทางที่จะทำให้คนอื่นมีความสุขถ้าใจมันคิดจะไป ทำให้คนอื่นมีความทุกข์ก็ต้องหยุดมันให้ได้งั้นถ้าเราอยากจะควบคุมการกระทําของเราเราต้องมาควบคุมที่ใจแต่ถ้าเรายังไม่มีปัญญาไม่มีกําลังที่จะควบคุมที่ใจได้ท่านก็ให้สอนเราท่านก็สอนให้เรามาควบคุมที่ร่างกายกับที่วาจาก่อนด้วยการตั้งกฎระเบียบตั้งกฎกติกาว่าไม่ให้ รักทรัพย์ไม่ให้ฆ่าไม่ให้ประพฤติผิดประเวณีไม่ให้พูดปดเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการตั้งกติกาเพื่อป้องกันไม่ให้เราไปทำสิ่งที่เสียหายทั้งถึงแม้ว่าใจเราอาจอยากจะทำแต่พอเราตั้งกฎกติกาบังคับใจใจก็จะทำไม่ได้แต่ก็ไม่น่าถ้าใจมันอยากมากๆ บางทีมันก็แหกฎกฎ ก, ฎกฎติกาได้แต่การมีศีลก็ยังดีกว่าการไม่มีศีลแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะห้ามการทำบาปได้อย่างร้อเอซถ้าอยากจะห้ามการทำบาปได้อย่างร้อซนต้องมาควบคุมที่ใจต้องมาหยุดความคิดที่อยากจะทำบาปให้ได้ ถ้าหยุดความคิดที่อยากจะทํำบาปได้ทีนี้มันก็จะไม่ทํำบาปจะมีจะรักษาศีลหรือไม่รักษาศีลก็ไม่เป็นประเด็นเพราะว่าเราสามารถควบคุมใจไม่ให้ไปทําผิดศีลได้เราก็จะไม่ทําไปตลอดถ้าเราสามารถควบคุมใจใจได้ตลอดเวลาเราก็จะสามารถควบคุมการกระทํำบาปได้ตลอดเวลา รือจะสั่งให้ใจไปทำบุญได้ตลอดเวลาก็เหมือนกันก็ต้องมาควบคุมใจมาสอนใจให้เห็นคุณประโยชน์ของการทำบุญใจก็อยากจะทำบุญไปเรื่อยๆให้เห็นโทษของการทำบาปใจก็จะไม่อยากจะทำบาปนะแต่ถ้าเรายังไม่มีกำลังที่จะเข้าไปควบคุมจิตใจเราก็ต้องมา ตั้งกฎกติกาก็คือมาถือศีลกันไปก่อนมาถือศีลห้าศีลแปดศีลอะไรไปอยู่แล้วก็พยายามที่จ ะ, ะควบคุมบังคับไม่ให้ไปทําผิดศีลอแต่มันก็ไม่แน่นอนบางทีถือศีลแล้วบางทีก็ศีลขาดได้เพราะเราควบคุมใจไม่ได้พอใจมันต้องการจะทําอะไร แรงแรงมากๆมันก็ไม่สนใจกับศีลละมันก็แหกศีลไปได้แต่ถ้าเราอยากจะควบคุมการกระทําไม่ดีได้อย่างร้อยเปอร์เซนนี้เราต้องไปควบคุมที่ใจเพราะใจเป็นผู้สั่งการถ้าใจไม่สั่งให้ร่างกายทําอะไรไม่ดีมันก็ไม่ทําถ้าใจไม่สั่งให้วาจาพูดอะไรไม่ดีวาจาก็จะไม่พูดอะไรที่ไม่ดี แต่ถ้าเราเพียงแต่มาปิดปากมามามาปิดกัน้นการกระทําทางกายทางวาจาแต่ถ้าใจมันอยากจะทําอะไรไม่ดีมันก็สั่งให้แหกได้แหกกฎแหกศีล แ, แหกอะไรได้แต่ก็ในเบื้องต้นถ้าเรายังไม่สามารถไปควบคุมใจได้ก็มาควบคุมที่กายกับวาจาก่อนก็ได้ เวลาจะทำอะไรพอรู้ว่าทำไม่ดีก็หยุดซะเช่นพอจะขโมยข้าวของใครก็มาพอรู้ว่าจะทำก็หยุดเสียรือจะพูดอะไรไม่ดีก็หยุดเสีย อ, อันนี้ไม่รู้จะหยุดได้หรือเปล่าอันนี้เพราะมันจะหยุดต้อหยุดที่ใจถึงจะหยุดได้จริงๆแต่ก็ดีกว่าไม่มีศีลเลยถ้าไม่มีศีลก็เหมือนบอกว่าทำได้เต็มที่เลย ใจสั่งให้ทําอะไรก็ทําไปเลยเอแต่ถ้ามีศีลบางทียังอาจจะมาต่อสู้กันอยู่เอใจอยากจะทําแต่อีกใจนึงก็บอกถือศีลอยู่เออทําไม่ได้เออย่างนี้ก็ยังพอต้านทานกันได้บ้างแต่ถ้ามันแต่ใจถ้าต้องการจริงๆแล้วศีลก็ต้านไม่อยู่เห็นไหมคนมาบวชยังศึกได้เลยเห็นไหม พออยากจะสึกขึ้นมานี่ต่อให้มีศีลกี่ร้อยข้อก็ไม่เอาแล้วรักษาไม่ได้แล้วอยากจะไปมีแฟนนี่มนเป็นพระนี่มีแฟนไม่ได้พอเกิดความอยากมีแฟนมากๆมันก็ทนอยู่ไม่ได้ศีลก็สู้ไม่ได้แต่ถ้าไม่มีความอยากแรงก็อาจจะพอสู้กันได้อาจจะบอกาเอาหนาอยู่เป็นพระดีกว่าเป็นพระ ข้าวฟรีบ้านฟรีน้ำไฟฟรีไม่ต้องจ่ายภาษีถ้าศึกไปมีเมียเดี๋ยวต้องไปทำงานต้องหาเงินหาทองต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านวุ่นวายนะให้คิดให้ดีคิดไปคิดมาก็ไม่ไม่สึกดีกว่าอันนี้ก็เรื่องของจิตใจ ถ้าเราอยากจะควบคุมการกระทําได้อย่างร้อยเอร์เซ็น์เราต้องมาควบคุมที่จิตใจเราจึงมีเรื่องของการปฏิบัติธรรมเข้ามาตอนต้นเราก็ควบคุมที่กายที่วาจาก่อนสอนกายวาจาว่าอย่าไปทำบาปถือศีล น, นะแล้วก็สอนให้ใจไปทําบุญบังคับให้มันทาเป็นนิสัยเช่น ทำบุญทุกวันถ้าเป็นชาวบ้านนี้จะมีพระมาบิณฑบาตก็ให้บังคับให้ตื่นแต่เช้าลุกขึ้นมาหุงข้าวทำกับข้าวแล้วก็แบ่งอาหารไว้ใส่บาตรให้กับพระก็จะได้มีการทำบุญทุกวันแล้วก็สอนว่าอย่าไปทำบาปนะอย่าไปฆ่าสัตว์อย่าไปลักทรัพย์อย่าไปประพฤติผิดประเวณี อย่าไปพูดปดอย่าไปเดิมสุรายอย่าเมาก็ถ้าพยายามรักษาศีลไปก็จะทำให้การทำบาปนี้น้อยลงแต่อาจจะไม่ไม่ไม่หมดนะบางทีเวลาเผลอมีความอยากทำมากกว่าที่ศีลจะต้านได้ก็อาจจะไปทำได้แต่อย่างน้อยก็ยังดีกว่าไม่มีศีลเลย ถ้าไม่มีศีลมันทำบาปได้ง่ายกว่าเยอะก็ไม่มีใครมาต้านถ้ามีศีลก็ยังมีศีลมาต้านบอกว่าให้ถือศีลอยู่นะกินเหล้าไม่ได้นะ อ, อะไรก็อาจจะหยุดอยากจะกินแต่พอรู้ว่าถือศีลอยู่ก็มไม่กินดีกว่าเพราะรู้ว่าถือศีลมันดีกว่าไม่ถือศีลถือศีลแล้วใจสบายไม่ถือศีลแล้วใจมันทุกข์ใจมันไม่สบาย อันนี้ก็เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเดี๋ยมีอยู่สาข้อสองข้อแรกก็เกี่ยวกับเรื่องทําบุญกับการถือศีลนั่นเองให้ละการกระทําบาปทั้งปวงก็คือให้มาถือศีลไม่ให้ทําบาปไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ให้รักทรัพย์ไม่ให้ประพฤติผิดประเวณีไม่ให้พูดปดไม่ให้เด่มสารายาเมา แล้วก็ให้ทําบุญกุศลให้ถึงพร้อมทําความดีมีโอกาสทําความดีในรูปแบบไหนก็ทําไปทําประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่นเอให้คนอื่นเขามีความสุขบ้างเรามีความสุขแล้วเราก็ควรจะแบ่งความสุขให้กับคนที่เขาไม่มีบ้างอันนี้ก็เรียกว่าทําบุญ น, นี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าที่จะมาแก้ กรรมที่ไม่ดีแล้วจะมาเสริมกรรมที่ดีให้มีมากขึ้นคือให้เสริมบุญแล้วก็ให้กาจัดบาปการการะทาที่ไม่ดีแล้วก็ให้มาควบคุมจิตใจด้วยการทาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ใจนี่ที่ไม่สะอาดก็เพราะมีตัวที่มาคอยยุยงแย่หลอกลวงให้ใจไปทำบาปไปทา สิ่งที่ไม่ดีต่างๆ ต, ต้องไปกําจัดตัวที่มาทําให้ใจนี้มาทําบาปทําให้ใจนี้มาเกิดเนี่ยมันอยู่ในใจและการที่จะทําได้ต้องเกิดจากการชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ชําระตัวที่คอยยุยงให้จิตไปทําบาปบังคับให้ใจไป ไปเวียนว่ายตายเกิดก็คือกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจที่ทําให้ใจเศร้าหมองถ้าเป็นเสื้อผ้าก็เป็นเหมือนคราบสกปรกที่ติดอยู่ในเสื้อผ้าถ้าเราอยากจะให้เสื้อผ้าขาวสะอาดเราก็ต้องเอาไปซักฟอกซักฟอกด้วยผงซักฟอกด้วยน้ําพอผงซักฟอกน้ําเจอ เสื้อผ้าที่มีคราบสปกปรกมันก็จะละลายคราบที่ติดอยู่ในเสื้อผ้าออกไปหมดนี่การปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าภาวนาก็เป็นการชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เหมือนกับเสื้อผ้าที่สปกปรกใจก็สกปรกด้วยกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงโมหะอวิชชาความอยากต่างๆจะกาจัดมันได้ต้องใช้การซักพ อ, อกใจ เครื่องซักผอกใจก็เรียกว่าภาวนาจิตตภาวนามีสองมีส่วนผสมอยู่สองส่วนคือสมะถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเหมือนซักเสื้อผ้าต้องมีน้ํามีผงซักฟอกถ้ามีผงซักฟอกไม่มีน้ําก็ซักไม่ได้ถ้ามีน้ําไม่มีผงมันก็ซักไม่สะอาดซักได้บางส่วน อันนี้ก็เหมือนกันถ้าถ้ามีสมถะอย่างเดียวมีสมถะภาวนาอย่างเดียวก็เหมือนมีน้ำอย่างเดียวก็จะไม่ทำให้ใจสะอาดบริสุทธิ์อาจจะฟอกได้บางบางส่วนแต่ไม่หมดถ้าอยากจะให้มันหมดอย่างราบคาบนี้ต้องมีวิปัสสนาด้วยมีสมถะภาวนาแล้วก็มีวิปัสสนาภาวนา สามัญะภาวนาก็ทำให้ใจสงบใจสะอาดชั่วคราวเวลาใจอยู่ในสมาธิใจก็สงบสะอาดชั่วคราวแต่พอออกจากสมาธิมากิเลสตัณหาที่ไม่ได้ตายด้วยอำนาจของสมาธิก็โผล่ขึ้นมาใหม่เราก็จะมายุยงมาหลอกให้ใจไปทำบาปไปทากรรมต่อไปใหม่ถ้าอยากจะกำจัดมันก็ต้องใช้วิปัสสนาหรือปัญญา มีปัสนาหรือปัญญานี้จะเป็นตัวที่จะฟอกให้กิเลสตัณหาโมหะอวิชชาที่ติดอยู่ในใจนี้หลุดออกไปจากใจจนหมดสิน้นสมถะ ภ, ภาวนาทำไม่ได้แต่ต้องมีสมถะภาวนาเหมือนกับต้องมีน้ำถึงจะใช้ผงซักฟอกได้ถ้าไม่มีน้ำมีแต่ผงซักฟอกมันก็ฟอกไม่ได้ ถ้ามีวิปัสสนาแต่ไม่มีส ม, มถะภาวานาไม่มีสมาธิไม่มีความสงบก็ใช้ปัญญาสอนใจให้กาจัดกิเลสไม่ได้ไม่มีกำลังที่จะกำจัดกิเลสเหมือนผงซักฟอกถ้าไม่มีน้ําก็ไม่มีกำลังที่จะซักฟอกคราบสกปรกที่ติดอยู่ในเสื้อผ้าให้มันหลุดไปได้แต่พอมีน้า ผงซักฟอกมันละลายในนะ้ามันก็จะไปทำหน้าที่ซักฟอกเสื้อผ้าให้ขาวสะอาดทันทีนี่คือคำสอนของเป็นอะไรเสียงหายไปตัวหนึ่งนี่ตัวนี้เสียมั้งตัวมาแชวไม่เป็นไร ย, ยังพอได้ยินอยู่ใช่ไหมออนี่ก็คือเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ มันเป็นอนิจจังทั้งนั้นเดี๋ยวทานหมดบ้างเดี๋ยวอะไรสัญญาณหลุดบ้างเาั้นท่านผู้ฟังก็ต้องใจเย็นๆนะเราอยู่ในโลกของความไม่แน่นอนก็ให้ยินดีตามมีตามเกิดเราจะไม่หงุดหงิดใจถ้าไม่มีความยินดียินตามมีตามเกิดมีความอยากให้มันดีอยู่เรื่อยๆ เวลามันไม่ดีมันก็จะเกิดความหงุดหงิดเกิดความนำคานใจขึ้นมาได้เนี่ยนี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระพุทธเจ้าที่มาตัดจะรู้นี่จะรู้ว่าอะไรเป็นตัวที่ทําให้ใจทุกททข์อะไรเป็นตัวที่ทําให้ใจสุขอะไรเป็นตัวที่ทําให้ใจต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆท่านก็รู้วิธีที่จะ กำจัดความทุกข์รู้จักวิธีสร้างความสุขรู้จักวิธีหยุดการเวียนว่ายตายเกิดให้กับใจ ừ, ก็สามวิธีนี่เองดังนั้นไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาตรัสรู้แล้วมาสอนสอนสัตว์โลกก็จะสอนเหมือนกันสอนสามอย่างนี้คือให้ละการกระทำบาปทั้งปวงเพราะบาปจะทำให้เกิดความไม่สบายใจเกิดความทุกข์ใจ ตายไปก็ให้ไปอยู่ในอบายถ้ายังยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถ้ายังไม่ยุติการเวียนว่ายตายเกิดถ้าถ้ายุติก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายถ้ากำจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจก็ไม่ต้องไปเกิดให้ละการกระทำบาปทั้งปวงให้ทำบุญเพราะบุญจะทำให้มีความสุข ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องอาศัยบุญพาให้เราไปเกิดในที่ดีเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆจนกว่าเราจะสามารถชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เราถึงจะไม่ต้องอาศัยบุญอีกต่อไป แต่ถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังไปไม่ถึงพระนิพพานเราก็ยังต้องอาศัยบุญเป็นตัวคอยสนับสนุนใจให้มีความสุขท่านถึงสอนให้เราทาบุญให้ถึงพร้อมแล้วก็ให้มาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ให้กําจัดกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจ ด้วยการเจริญวิปัสสธรรมะภาวนาคือการทำใจให้สงบหรือสมาธิแล้วก็มาเจริญวิปัสสนาภาวนาคือเจริญความรู้ความจริงให้สอนใจให้เห็นว่าการไปทำตามความอยากต่างๆนี้ไม่ได้ไปหาความสุขกันแต่เป็นการไปหาความทุกข์กัน แต่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้มันจะให้ความทุกข์กับเราเราก็จะไม่อยากได้เราก็จะกําจัดกิเลสตัณหาความอยากกําจัดความหลงที่ไปคิดว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ให้ความสุขกับเราความจริงมันให้ความทุกข์กับเรามากกว่าให้ความสุขกับเรา <laughs> <laughs> พอเห็นความจริงด้วยปัญญามันก็จะ ทำให้ไม่มีความอยากเกิดขึ้นมาไม่อยากได้อะไรเพราะไม่มีใครอยากจะได้ความทุกข์กันนั่นเองถ้าได้เงินแล้วทุกข์ก็ไม่มีใครอยากได้แต่ไม่รู้สิว่าได้เงินแล้วทุกข์เพราะไปถูกความหลงหลอกให้คิดว่าได้เงินแล้วสุขมันสุขตอนที่มันได้แต่มันไม่คิดตอนที่มันหมดตอนที่มันหมดใจมันยังอยากใช้เงินอยู่นีถ้ามันไม่อยากใช้เงินก็ไม่มีปัญหา ีพอมันไปใช้เงินแล้วมันก็ติดมันก็อยากจะใช้อยู่เรื่อยๆพอไม่มีเงินใช้ทีนี้มันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมามองไม่เห็นว่าการมีเงินนี้การใช้เงินนี้จะทำให้ทุกข์คิดว่าการได้ใช้เงินแล้วจะทำให้เกิดความสุขแต่มองไม่เห็นว่าเวลาเงินหมดหรือเวลาหาเงินไม่ได้นันจะทำอย่างไรตอนนั้นก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่ใช้เงินตั้ง ก็ไม่ก็ต้องไม่ไม่เดือดร้อนเวลามีเงินแล้วไม่มีเงินก็ไม่เดือดร้อนอยู่แบบไม่มีเงินก็จะไม่เดือดร้อนอยู่ไปตามมีตามเกิดอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ตายยังไงไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายเหมือนกันแต่จะจะอยู่อย่างไม่ทุกข์กับเรื่องเงินทองถ้าไม่ไปใช้เงินทองไม่ไปติดกับการใช้เงินทองนี่คือปัญญาที่ค่อนข้างจะยากต่อการ เข้าถึงยากต่อการที่จะเห็นว่าเงินทองนี้เป็นทุกข์กันยากต่อการที่จะเห็นว่ามีมีตำแหน่งมีอำนาจแล้วจะสุขจ ะ, จะทุกข์กันเพราะมองไม่เห็นตอนที่มันไม่มีตอนที่มีมันสุขมีอำนาจวาสนามีตำแหน่งมีอะไรแต่เวลามันตกจากเก้าอี้มาไม่มีอะไรนตอนนั้นมันมันหาความสุขไม่เจอ มันจะมีแต่ความทุกข์ฉั้นคนที่จะเห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นทุกข์ต้องเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันจะต้องมีวันหมดพอมันหมดหรือมันไม่หมดแต่เราไม่มีกำลังที่จะไปใช้มันก็ได้คือร่างกายของเราก็ไม่เที่ยงการที่เราจะใช้อำนาจใช้เงินทองเราก็ต้องมีร่างกายที่มีเรี่ยวแรง พอร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายเราก็ใช้เงินไม่ได้ใช้อํานาจไม่ได้อันนี้ต้องมองเห็นอ น, นิจจังถึงจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นทุกข์เมื่อรู้ว่ามันเป็นทุกข์แล้วเราก็ไปห้ามห้ามมันไม่ได้ห้ามมันไม่ให้มันเป็นอ น, นิจจังของทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเปลี่ยนจะต้องเสื่อมจะต้องหมด เราจะไปสั่งว่าไม่ให้มันเสือ่อมไม่ให้มันหมดไม่ได้มันเป็นอนัตตามันไม่ได้เป็นของที่เราไปควบคุมบังคับได้เพราฉั้นถ้าเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ว่าเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นทุกข์เราก็จะหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราได้เราจะไม่อยากได้อะไรจากลาบยศจัดละเสริญ จ, จากรรูปเสียงกลิ่นรสที่มีอยู่ในโลกนี้ พอรู้ว่าได้มาแล้วเดี๋ยววันมันจะทําให้เราทุกเวลามันเสื่อมเวลามันหมดไปถ้าเราคิดอย่างนี้เราจะมีปัญญาแล้วต่อไปความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจก็จะหมดไปแล้วพอไม่มีความอยากอยู่ในใจก็จะไม่มีอะไรดึงให้ใจไปเกิดใหม่ไปมีร่างกายอันใหม่ การที่เราไปมีร่างกายอันใหม่เพราะเรายังอยากได้ลาบยศจรลเสิญยังอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสมาเสบมาให้ความสุขกับเราพอเราเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเราก็ไม่ต้องหามันไม่อยากได้มันเราก็ไม่จำเป็นจะต้องมีร่างกายร่างกายที่มีอยู่เราก็จะไม่เดือดร้อนเวลามันแก่มันเจ็บมันตายเพราะเราไม่ต้องใช้มันเราไม่ต้องอาศัยมัน พอใจของเรานี้อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเพราะใจที่ไม่มีความอยากนี้เป็นใจที่มีความสุขมีความสุขโดยไม่เดือดร้อนกับความความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเพราะความทุกข์เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากจะใช้ร่างกายไปหาความสุขต่าง แต่พอเราเห็นว่าการไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆนั้นเป็นการหาความทุกข์เราก็หยุดความอยากพอหยุดความอยากความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายก็หายไปหมด เ, เวลาร่างกายแก่หรือไม่แก่ใจก็รู้สึกเท่ากันเวลาเจ็บหรือไม่เจ็บใจก็รู้สึกเท่ากันเฉยๆไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายตายหรือไม่ตายใจก็เฉยๆเหมือ น, blessing, นกันไม่เดือดร้อนเพราะไม่มีความอยาก ให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะอยู่อย่างสุขสบายไปจนวันตายตายแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนะนี่คือเรื่องของกรรมที่เราจะต้องมาจัดการให้มันผลิตแต่ความสุขคกอททำแต่บุญบาปอย่าทำแล้วเราก็ต้องมากาจัด ตัวที่มาคอยหนึ่งให้เราต้องมาเกิดอยู่เรื่อยๆด้วยการบาปฏิบัติจิตตภาวนานั่งสมาธิจเจริญปัญญาเพื่อให้หยุดความอยากต่างๆให้แก้ความหลงด้วยความจริงว่าการหาสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ได้เป็นการหาความสุขแต่เป็นการหาความทุกข์พอเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าการทําตามความอยากต่างๆนี้เป็นการพาไปสู่ความทุกข์ก็จะเลิกอยาก แล้วก็จะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจใจก็จะหลุดจะไม่มีตัวมาฉุดให้ไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปใจก็อยู่ที่นิพพานแทนอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระสาวกทั้งหลายที่ไปรอพวกเราอยู่ที่นั่นต่อไปเราก็จะไปร่วมกับพระพุทธเจ้าร่วมกับพระสาวกอยู่ที่มีแต่ความสุขไปตลอดเรียกว่าบร ม, มสุข นี่คือเรื่องของกรรมเรื่องของการกระทาที่พระพุทธเจ้านำเอามาสอนพวกเราให้เรารู้ว่าทำแล้วจะได้อะไรถ้าไม่ทำแล้วจะได้อะไรก็ขอให้เราเอาไปพิจิตรพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์เพื่อความสุขที่ถาวรที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พรอนอยะทาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปกปฏิอิทิตังปฏทิตังตุมหังคิ ป, ปเมวะสมิจะตสัพเพปุเรนตุสังกบา จันโตปนะหราโสยะธามมณิโชติหระโสยะธาสัพพิติโยวิวาจาันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนาสีลิตานิจังวุฒาปจายโน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 รับฟังข้างบนเขาสี่สิบสามรวมทั้งหมดหกร้อยสี่ครับก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจ ะ, สะเสถียรประมาณหกร้อยเสรเศษทุกวันมีคนติดตามฟังธรรมะกันทุกวันก็จะตอนนี้ก็เป็นช่วงให้ถามตอบปัญหาใครสงสัยฟังแล้วไม่เข้าใจหรืออยากจะถาม เรื่องที่ไม่ได้ยินในวันนี้ก็ถามได้จะส่งไมโครโฟนไปให้ถ้าไม่อยากจะถามเองจะเขียนใส่ข้อความมาให้พิธีกร อ, อ่านคำถามให้ก็ได้ถ้ายังไม่มีก็จะให้คำถามที่ส่งเข้ามาทา ง, ทางจากทางบ้านเอามาตอบก่อนก็ได้คำถามจาก คุณมงคลกราบนมัส ก, การเรียนถามครับกรรมที่แก้ยากคือกรรมที่ตัวเองได้รับมากระผมเข้าใจถูกต้องไหมครับคําว่ากรรมนี้ไม่ทราบว่าเราพูดคําเดียวกันหรือเปล่าเพราะคาว่ากรรมนี่เราหมายถึงการกระทําแต่ที่เราพูดนี้เราหมายถึงวิบากกรรมหรือเปล่าวิบากกรรมก็คือผลที่เกิดจากการกระทําของเรา แล้วมีผลตามมาเช่นเราไปทำให้ใครเขาเดือดร้อนเขาก็มาตามล้างแค้นเราอันนี้ไม่ทราบว่าหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงการที่จะไปแก้วิบากนี่เราแก้ไม่ได้เราทำให้ใครเขาเดือดร้อนเสียหายเขาก็ยอยากจะมาเอาคืนมาล้างแค้น ถ้าเราไม่อยากจะให้เขามารัางแค้นเราก็อย่าไปทำให้เขาเดือดร้อนอย่าไปทำให้เขาเสียหายเออั้นอยู่ที่ว่าอันนี้คือความถามหรือเปล่าหรือคำว่ากรรมแก้ยากก็คือนิสัยหรือเปล่านิสัยชอบทาบาปเช่นชอบดื่มสุราเป็นนิสัยอย่างนี้ก็จะแก้ยากกับคนที่ไม่มีนิสัยดื่มสซดาดื่มบ้างแต่ไม่ดื่มบ่อย ไม่ดื่มเป็นนิ ส, สัยดื่มตามโอกาสก็จะเลิกง่ายกว่าคนที่ดื่มเป็นนิ ส, สัอยอันก็ถ้ายังไม่ไม่ตอบตรงกับคำถามก็ส่งเข้ามาใหม่ถ้าอยากอยากจะพูดถึงผลของกรรมต้องต้องพูดว่าวิบากแต่วิบากนี่เราแก้ไม่ได้เราทำทำไปแล้ววิบากเกิดขึ้นแล้วจะเกิดจะตามมาช้าหรือเร็วเท่านั้นคือ จากบุคคลภายนอกแต่วิบากที่เกิดขึ้นทันทีก็คือความรู้สึกในใจทำบุญก็เกิดความสุขใจขึ้นมาทันทีทำบาปก็เกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจขึ้นมาทันทีแต่วิบากจากคนที่เขาได้รับผลกระทบจากการกระทาของเรานี่อาจจะมาเร็วมาช้าหรืออาจจะมาไม่ทันเราก็ได้ตายไปก่อนก็ได้เห็นทาความดี แต่ไม่มีการให้รางวัลเลยไม่มีใครยกย่องสรรเสริญเลยหรือทำบาปแล้วก็ไม่ถูกจับเข้าติดคุกติดตารางแต่ไม่ได้หมายคว่าจะไม่มีวิบากวิบากมันยังมาไม่ทันบางคนทำปั๊บก็ถูกจับเข้าคุกทันทีเลยบางคนทำปั๊บก็ได้รางวัลไ ด, ได้เหรียญปลาได้อะไรทันทีวิบากแบบนี้ไม่แน่นอนว่ามันจะมาเร็วมาช้า มาทันเราหรือไม่บางทีก็มาไม่ทันเราตายไปก่อนอแต่มันอาจจะตามไปพบหน้าชาติหน้าได้ถ้าเราไปเกิดชาติหน้ามันก็อาจจะตามไปได้ชาติหน้าก็อาจจะไปเจอคนที่เราไปทําร้ายเข้ามาเขาจําเราได้เขาก็จะตามมาล้างแค้นต่ออเหมือนชาตินี้แล้วอาจจะไปเจอคนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ทําไมเขาจงรักจงชังเราเลือะเกินเออนั่นแหละก็คือวิบาสของเราเออ ออยากจะถามเดี๋ยวส่งไมโครโฟนไปอถ้าพูดถึงเรื่องของวิบากค่ะหนูเคยฟังพระจัน เ, เทเส้นเรื่องที่พระเทวทัตในอดีตชาติเคยจองเวรพระพุทธเจ้าทั้งทัง ท, งที่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้มีเจตนาทําร้ายแต่ด้วยจิตที่จองเวรนะก็ยังมาส่งผลเป็นวิบากที่พระพุทธเจ้าจะต้องได้รับจาก เขาด้วยอย่างนี้เหรอคะเพราะว่าเขายังไม่ได้ล้างแค้นเขาอยากจะล้างแค้นจนกว่าเขาจะหายแค้นเมื่อไหร่เขาถึงจะไม่ตามมานั่นแปลว่าผลกรรมที่เราผลของการกระทําที่ใครบางคนมาทํากับเราอาจจะไม่ได้เกิดจากเราไปทําเขาแต่เกิดจากการที่เขาจองเวรเราก็เป็นได้อย่างนี้เหรอคะใช่อยู่ดีๆคนนี้ก็มาจงนักจงชังเราทำอะไรก็มาคอยขัดคอยขวางเรา เราอาจจะไม่ได้มีอะไรกับเขาในชาตินี้แต่อาจจะมีกันมาในอดีตชาติก็ได้หน้าที่ของเราก็คือให้อภัยอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่อย่างเดียว <laughs> ยอมรับกรรมไปใช้กรรมไปกรรมที่เราก็ไม่ได้สร้างด้วยเนี่ยนะคะสร้างไว้แต่เราจําไม่ได้ไงหมายถึงว่าอย่างอย่างในกรณีของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ไม่ได้สร้างคืออาจจะสร้างที่ทําให้เขาเจ็บใจอชแต่ไม่ได้เจตนาไม่ไม่เจตนาแต่ก็ถือเป็นผลเหมือนกันก็เป็นผลเหมือนกันเพราะไปทําให้เขาโกรธได้อค่ะยังถ้าไม่อยากจะมีกรรมไม่มีวิบากก็อย่ามาเกิดเท่านั้น ถ้ามาเกิดแล้วมันบางทีก็ไปทําอะไรที่ทําให้คนเหนื่อยเขาไม่พอใจได้ซึ่งถ้าเกิดเราพลาดนิดเดียวคือสมมุติว่าเราไปดันไปตอบโต้เขานี่ก็เท่ากับวนกันไปอีกยาวเล ย, ยนั่นใช่ถ้าเราเฉยเสียงเหมือนเดยวมันก็จะจบเขาก็จะทําอะไรเราไม่ได้เขาก็จะพอเขาได้ทำํำเราแล้วเขาพอใจแล้วเขาก็จะเลิกทํา <c oughs> แต่เขาไม่พอใจเขาก็ยาวไปอย่างนัก็ให้เขายาไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเหนื่อยค่ะ เราต้องสร้างอุเบกขาให้มากๆทํทำใจให้เฉยๆแล้วใเเจเราจะรับกับวิบากได้ทุกชนิดถ้าเรามีอุเบกข า, าพระพุทธเจ้าท่านเฉยมเทวทัตยพยายามปรงพระชนถึงสามครั้งท่านก็ไม่ตอบโต้เลยเท่านเฉยๆดังนั้นที่สุดวิบากที่มันพยายามจะทำร้ายพระพุทธเจ้าก็มาถึงตัวเทวทัตเองเอตอนต้นก็ไม่สบายใจทุกใจนะครับ พอจะไปสารภาพบาปก็ระหว่างทางก็ถูกแผ่นดินสูบแต่ก็ยังดีที่ยังมีความเสียใจมีความสำนึกผิดขอถวายกรรมให้กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าความที่สำนึกผิดนี้ทำให้พระปเจกทาให้พระเทวทัตหลังจากที่ไปใช้กรรมในนรกแล้ว พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้เป็นพระประเจกกพระพุทธเจ้าต่อไปเพราะจะไม่ทําบาปอีกต่อไปจะบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาต่ อ, อไปคำถามจากคุณโอมพระอาจารย์ครับเพื่อนด่าพ่อแม่เราแล้วเราต่อยเพื่อนกลับจะเป็นบาปไหมครับ บาปสิเราก็ไปทำให้เขาทำร้ายเขาทำให้เขาโกรธเราอีกเขาก็จะมาด่าเราอีกอที่เขาจะด่าพ่อแม่เราก็อาจจะเพราะว่าพ่อแม่เราไปทำอะไรให้เขาโกรธไม่พอใจอันนั้นก็เป็นเรื่องของพ่อแม่เราไม่จำเป็นจะต้องไปไปทำร้ายไปทุบตีเขาปล่อยเขาพูดไปเดี๋ยวเขาเหนื่อยเขาก็หยุดเองอแต่ถ้าเราไปทำบาป เหมือนกับไปการสร้างเวรใหม่เวรมันก็จะต่อกันไปเรื่อยๆหนังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ายิเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรก็ต้องปล่อยก็ทําไปถ้อยากจะทำอะไรทําไปเราหลบได้ก็หลบหลีกได้ก็หลีกหลบไม่ได้หลีกไม่ได้ก็ยอมตายไปเหมือนพระโมคคะะพระโมคคลานะก็ยอมตาย ถึงแม้ท่านจะหลบได้ท่านนี้มีอิทธิฤทธิ์ที่จะสามารถหนีคนที่จะมาทําร้ายท่านได้แต่ท่านบอกหนีไปวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตามมาใหม่ยันหนีไม่พ้นเรื่องของกรรมยั้นปล่อยให้มันส่งผลเถอดพอมันส่งผลแล้วมันก็จะจบแตใจของท่านไม่เดือดร้อนเพราะท่านมีอุบเบกขาท่านเป็นพาาระอรหันต์ท่านไม่ทุกข์กับการถูกทําร้ายทางร่างกายท่าน ฝึกหัดจิตใจให้ทนกับความเจ็บปวดของร่างกายได้ท่านท่านฟันฝ่าท่านยอมตายได้ท่านจึงไม่วิตกกังวลกับเรื่องผลที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของท่านใจของท่านก็จะเฉยเฉยเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะถึงแม้ไม่มีวิบากร่างกายมันก็ต้องเจ็บต้องตายอยู่ดีเหมือนกันเพรางฉะท่านก็เลยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา คำถามจากคุณดาราพรากาบนมัสการค่ะที่วัดได้ประกาศให้ร่วมกันทาบุญเพื่อสร้างโรงพยาบาลโดยมีวัตถุมงคลพระให้เช่าและเราได้ร่วมทาบุญไปจะได้บุญหรือไม่อย่างไรคะถ้าเราทาบุญเพื่อเราได้รับวัตถุมงคลมันก็ไม่ได้บุญนะ ก็ เ, เป็นเหมือนกับการแลกเปลี่ยนเป็นการซื้อขายแต่ถ้าเราทำแล้วเราไม่รับวัตถุมงคลเราทำถึงจะได้บุญเพราะเราไม่ต้องการสิ่งตอบแทนจากการเสียสละเงินทองของเราถ้าเราต้องการสิ่งตอบแทนจากการเสียสละมันก็เหมือนกับไปซื้อของก็ไปซื้อพระดีๆหนึ่งวัดก็เป็นเซเว่นดีๆนี่ วัดก็อยากจะได้เงินไปปรับปรุงร้านให้มันสวยงามขึ้นก็เลยเอาสินค้ามาขายผลิตสินค้ามาขายที่เ็าเรียกว่าอะไรนะพุทธพาณิษ์เห็นไหอันนี้มันเป็นพาณิชย์มันเป็นการค้าขายคนทำบุญก็ไม่ได้บุญเพราะเขามีอาิุธจิตใจเขามีความอยากได้สิ่งตอบแทนจากการทำบุญของเขาเขาก็เลยไม่ได้บุญคือความสุขใจอิ่มใจ คำถามจากคุณบุญพรมการที่น้อมนาคาสั่งสอนผ่านทางยูท e บเฟซบ o ๊กไลฟ์ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติแต่ไม่เคยได้ไปกราบพระอาจารย์จะถือว่าเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ได้หรือไม่ครับได้การกราบมีหลายวิธีนกราบด้วยกายวาจาใจหรือกราบด้วยการปฏิบัติเนี่ยการปฏิบัติตามคำสอนก็ถือว่าเป็นการากราบครูบาอาจารย์ การที่เราทำตามคาสอนของผู้สอนก็ถือว่าเราเป็นลูกศิษย์เป็นสาวกคำว่าสาวกนี่แปลว่าผู้ฟังผู้ฟังเมื่อฟังแล้วนำออกไปปฏิบัติก็ถือว่าเป็นสาวกพะพุทธเจ้าเวลาท่านแสดงทำคนฟังฟังแล้วก็เอาไปปฏิบัติเราตอนนี้พวกเราทุกคนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า เพราะคําสอนที่เอามาสอนนี้ก็ไม่ใช่เป็นคําสอนของเราเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเพราะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าคําสอนเหล่านี้จะไม่ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้จะไม่มีใครรู้จักคําว่าอริยสัจสี่จะไม่มีใครรู้จักคําว่ามารรคแปดนะอันนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยเพียงพระองค์เดียวยังถ้าเราปฏิบัติตามคําสอน ที่เราได้ยินได้ฟังเท่ากับเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าโดยตรงผู้มาสอนนี่เป็นเพียงแต่ผู้มาถ่ายทอดเป็นเหมือนอบุรุษไปสนีเอาข่าวสารมาให้กับผู้รับอีกทีเท่านั้นเองคำถามจากน้องบูมกราบเรียนถามค่ะ ถ้าเราพูดความจริงแล้วทำให้คนอื่นเดือดร้อนเราจะเป็นบาปไหมคะออถ้ามันไม่เป็นการไปทำร้ายร่างกายเขาเช่นไปทุบตีเขาหรือไปพูดด่าว่าจะาหยาบคายหรือถ้าพูดหลอกลวงเขาเนี่ยทำให้เขาเสียหายเนี่ยอันนี้ถึงจะบาปแต่ถ้าเราพูดความจริงแล้วเขาไม่พอใจจากการได้ยิน เขาไม่สบายใจจากการพูดอันนี้เราไม่บาปแต่ก็ทำให้เขาไม่สบายใจได้งั้นบางทีก่อนที่จะพูดบางทีเราก็ต้องพิจารณาให้รอบครอบก่อนถึงแม้จะว่าจะเป็นความจริงแต่ถ้าพูดแล้วทำให้เขาไม่สบายใจก็อย่าพูดดีกว่าเลี่ยงไปดีกว่าพูดเรื่องอื่นดีกว่า พูดเรื่องฝนฟ้าอากาศไปไม่ต้องไปพูดความจริงก็ได้เพราะความจริงบางทีพูดแล้วทําให้ผู้ฟังเขาอาจจะรับไม่ได้แล้วเขาอาจจะโกรธเราก็ได้ดนับางทีเราก็ต้องรู้จักหยุดการกระทาบางทีดีแต่พดทําไปแล้วทําให้เกิดปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมาก็ไม่ควรจะทําไม่ควรจะพูดจะดีกว่าเฉยๆไปดีกว่า คำถามจากคุณกิตจคุณกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับถ้าทุกคนตั้งใจปฏิบัติแบบจริงจังสามารถบรรลุมรรคผลได้ทุกคนไหมครับได้ถ้าปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้เต็มร้อยได้ครบถ้วนบริบูรณ์ภายในเจ็วันเจ็ดเดือนเจ็ดปีก็บรรลุถึงนิพพานได้ ไปศึกษาตามพระสูตรสติปทานสูตรนั่นแนะในท้ายพระสูตรพระพุทธเจ้าทรงนับประกันว่าถ้าได้ปฏิบัติสติปทานสี่ตามที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ก็จะสามารถบรรลุภายในเจ็ดวันเจดเดือนเจปีได้คำถามจากคุณฟูการ การที่ไปรับสินบนการที่คอรัปชันอย่างนี้ถือเป็นการผิดศีลข้อสองใช่ไหมครับและการกระทาเช่นนี้ได้กินทรัพย์สินส่วนรวมทำให้บาปมากเพราะไปเอาของส่วนรวม มาทำให้การชดใช้นี่กรรมจะมีมากตามไปด้วยใช่ไหมครับอ๋อมันมากน้อยอยู่ที่ว่าทรัพย์สินที่เรามาได้มากได้น้อยมากกว่าไม่ได้อยู่ว่าเป็นทรัพย์สินส่วนรวมหรือส่วนตัวอยู่ที่ปริมาณของทรัพย์สินที่เราโกงมาโกงมากมันก็บาปมากโทษมากโกงน้อยมันก็โทษน้อยเช่นเดียวกับการทาบุญทบุญน้อยก็บุญน้อยทามากก็บุญมาก อยู่ที่จํานวนเงินทองที่เราให้ไปหรือเาโกงมาโกงมามากก็บาปมากโกงมาน้อยก็บาปน้อยกว่านี่พูดในกรณีเรื่องของเรื่องนี้เรื่องเดียวนะอย่าไปเปรียบเทียบกับการทําบาปเรื่องอื่นไม่เกี่ยวกันเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดเดี๋ยวจะคิดว่ามันจะ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 คำถามจากคุณชนทิชาใจไม่สงบนั่งสมาธิไม่ได้คิดฟุ้งซ่านต้องทำอย่างไรถึงจะให้ใจสงบลงครับต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนต้องมีสติคอยหยุดความคิดต่างๆก่อนที่เราจะมานั่งถ้าเราไม่มีสติเลยพอมานั่งมันก็หยุดความคิดไม่ได้ดะงนั้นก่อนที่เราจะมานั่งให้ได้ผลนี่เราต้องหมั่นฝึกสติ มันหยุดความคิดวิธีจะทําให้หยุดความคิดวิธีที่จะทําให้มีสติก็ต้องเจริญกรรมฐานที่มีอยู่สี่สิบชนิดนี้ให้เราเจริญอย่างใดอย่างหนึง่งเป็นอารมณ์ไปเช่นเราใช้พุโทโธนี่ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึง่งให้เราจิตเราเลิกถึงพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเพียงอย่างเดียวมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ ถ้าเราไม่มีพุทโธมันก็จะคิดเรื่อยเปื่อยคิดถึงคนนั้นคิดคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้พอเราพุทโธมามันก็จะหยุดคิดโดยจะคิดน้อยลงใหม่ๆมันยังอาจจะแย่งกันคิดอยู่เราพุทโธไปมันก็ยังไม่แย่งคิดถึงคนนั้นคนนี้อยู่เพราะเราสติเรายังมีน้อยอยู่แต่ต่อไปถ้าเราฝึกพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆต่อไปความคิดที่จะมาแย่งคิดมันก็จะน้อยลงไป ต่อไปก็จะเหลือแต่พูดโธอย่างเดียวพอพูดโธอย่างเดียวเราไม่คิดเราก็หยุดพูดโธได้ไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดโทจะพูดโธก็ต่อเมื่อมันคิดแต่ถ้าเราต้องคิดในเรื่องที่จําเป็นก็คิดได้เพราะถ้าเรามีสติแล้วเราสามารถควบคุมความคิดได้ปล่อยให้คิดในเรื่องที่ควรคิดได้หยุดความหยุดความคิดในเรื่องที่ไม่ควรคิดได้พอเราไปนั่งสมาธิเราก็สั่งให้มันหยุดคิดได้ ให้มันดูลมอย่างเดียวหรือให้มันพุทโทอย่างเดียวเดี๋ยวไม่นานเดี๋ยวจิต ก, กจ็จะรวมเข้าสู่ความสงบต่อไปอเมื่อสักครู่ค่ะที่พระอาจารย์บอกว่าทาบุญทามากก็ได้บุญมากทำน้อยก็ได้น้อยถ้าเกิดสมมติว่าในกรณีคนมีเงินพันแล้วเขาตัดใจทาพันเลยด้วยความตั้งใจละกับคนมีสิบล้านลรวทาพันอย่างนี้ลักษณะของผลบุญเหมือนกันไหมคะ อันนี้ถ้าเปรียบเทียบระหว่างคนสองคนนี้มันมันต้องมองสัดส่วนของเงินที่เขาเสียสละไปคะ่ะไม่ได้ดูที่จํานวนถ้าเขาสละร้อยละสิบเท่ากันคนสองคนสละร้อยละสิบแต่คนหนึ่งร้อยละสิบของเขาอาจจะเป็นแค่พันหนึ่งอีกคนหนึ่งร้อยลสิบอาจจะเป็นหมื่นหนึ่ง ก็ผลก็จะเท่ากันมันคือลักษณะใจของการละใช่ไหมของการละมันเท่ากันแต่ถ้ามองในตัวคนเดียวกันเนี่ยมันถ้ายิ่งเสียมากก็ยิ่งได้ความสุขมากขึ้นได้บุญมากขึ้นค่ะเอเนบางทีคนฟังแล้วไม่เข้าใจค่ ะ, ะคิดว่าเง้นคนจนก็ทำนิดเดียวก็จะไม่ได้บุญเหมือนกับคนรวยค่ะ แต่ได้ต้องดูที่สัดส่วนไงดูที่ลักษณะของการตัดสินใจละแ ล, ละทำให้ใจเบาใจสุขใจอิ่มขึ้นมาอันนี้อยู่ที่สัดส่วนของการเสียสละสัด ส, ส่วนของทรัพย์ที่เราเสียไป ค่ะถ้าเราเสียร้อยละห้าสิบนี่สองคนถึงนม้จะเสียร้อยละห้าสิบเท่ากันแต่ปริมาณของทรัพย์อาจจะไม่เท่ากัน ค, คนหนึ่งอาจจะเป็นห้าหมื่นนี่คนจะเป็นห้าแสนแต่ความรู้สึกจะเท่ากันรู้สึกว่าได้เสียสละเท่ากันอีกหนึ่งคําถามค่ะว่าในเรื่องการปฏิบัติคะ่ะเคยได้ยินว่าถ้าเกิดสมมติในขณะที่เราปฏิบัติอยู่สมมติเราขาดใจตายไปในขณะนั้นเนี่ยก็จิตก็จะไปสู่ สุขติภูมิใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดอย่างบางครั้งบางคนหรือแม้กระทั่งตัวหนูเองเนี่ยบางครั้งนั่งสมาธิก็จะมีช่วงที่ฟุ้งซ่ง า, านานึกได้ก็ดึงกลับมามีสติก็ดึงกลับมามแต่ถ้าเกิดสมมติดันขาดใจตายช่วงกําลังฟุ้งซ่านแต่ตอนนั้นนั่งสมาธิอยู่ยังได้ไปสุขติภูมิอยู่ไหมคะคือเราไม่รู้หรอกว่าตอนที่วาระสุดท้ายของจิตเราเนี่ยจิตจะเป็นอยู่ในสภาพไหนแม้ว่าเรากําลังอาจจะปฏิบัติธรรมอยู่ แต่มันก็อาจจะฟุ้งขึ้นมาได้ทันที <Okay. S 1> เพราะจิตนี้มันไหวมากหรือบางทีคนที่มีลักษณะจิตฟุ้งซ่านแต่พอโป่งได้ก็อาจจะสงบได้เพรา ะ, ะนั้นเราจะมาวัดว่าเขาตายในขณะนั้นเขาทำอะไรอยู่แล้วก็จะไปไหนนี้ วัดไม่ได้ต้องดูความจริงของจิตของเขาในวละที่เขาจากร่างกายไปถ้าเกิดนั่งสมาธิอยู่ก็ตามแต่ถ้าเกิดจิตที่เป็นจิตสุดท้ายดันเป็นจิตฟุง้งซ่านก็ไม่ไม่แน่ว่าจะไปสุขติภูมิอย่างนั้นหรอใช่เพร อ, อ ม, มันขึ้นอยู่กับเรียกว่าจํานวนบุญและบาปที่เราได้สะสมไว้ตั้งแต่ที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยค่ไอตัวนั้นแหละมันจะเป็นเหมือนกับเป็นตัวที่มาคิดบัญชีกันค่ะ ถ้าบุญมากกว่าบาปมันก็จะไปสุขคติถ้าบาปมากกว่าบุญมันก็จะไปทุกขคติ<ะ>มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทำในวาระสุดท้ายในวาระสุดท้ายนี้มันทำอยู่เจาจริงแต่พอถึงเวลาที่ร่างกายใจยจะแยกจากร่างกายนี้มันไม่ใช่ว่าไม่ใช่การกระทำวาระสุดท้ายแต่เป็นผลของบุญของบาปที่จะมามคิดบัญชีกัน<ะ> งั้นก็คนก็ทำบาปมันทั้งชาติล้วก็ตอนนนท้ายมานั่งพุทโทพุทโทอย่นั้นไม่น่าจะไหวนะนไม่ไหวอยู่ดี <c oughs> เพราะว่ามันทำไม่ได้จิตมันไม่เคยทำใช่ <c oughs> งั้นอย่าไปคิดว่าวาระสุดท้ายจะเป็นตัวกาหนด คือการกระทำวาระสุดท้ายไม่ใช่เป็นตัวกําหนดแต่ผลบุญผลบาปนะวาระสุดท้ายนี่แหละคือการคิดบัญชีครั้งสุดท้ายเช่นสิ้นปีเรามาคิดบัญชีกันทีหนึ่ง่าปีนี้เรากําไรหรือขาดทุนไอ้ตัวนั้นไม่ใช่วันสุดท้ายที่เราค้าขายวันนี้ขายวันสุดท้ายขายดีเหลือเกินแต่พอมาทําบัญชีถึงแม้จะขายดีแต่ทั้งปีมันขายไม่ดีมันก็ยังติดลบอยู่มันก็ยังขาดทุนอยู่ยันต้องดู ดูผลของทั้งปีของทั้งชาตินี้ว่าเราทั้งชาตินี้บุญกับบาปเราทำนี้อันไหนมันมากกว่ากันก็นั่นแหล ะ, ะก็ผลสุดท้ายงก็ผลรับสุดท้ายเนะี่ยเป็นตัวที่อยู่ใกล้เคอกที่สุดเนี่ยผลรับต่อไปคำถามจากคุณแม่หญิงครับกราบนรมาสการเรียนถามเจ้าค่ะ ไม่ว่าเราจะโดนเบียดเบียนเช่นไรเราต้องนิ่งและไม่โตอตอบแม้เขาจะผิดแล้วเขาจะรู้ตนได้อย่างไรและหยุดการเบียดเบียนนั้นคือหน้าที่ของเราไม่ใช่มาสอนเขาให้รู้ว่าเขาเบียดเบียนหน้าที่ของเราก็คือมารักษาใจของเราให้อยู่ในความสงบไม่ให้ใจเราไปก่อกรรมก่อเวรอันนี้เป็นหน้าที่ของเรา ส่วนเขาจะรู้ไม่รู้มันเรื่องของเขาเขาทาไปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะต้องรับผลของเขานอกจากว่าเขาเป็นนักศึกษาเราเป็นคนสอนเราก็ต้องสอนต้องบอกเขาก็บอกเขาไปแต่ถ้าเขาไม่ได้มาสนใจที่จะมาเรียนรู้จากเราพูดไปก็เสียเวลาเปล่าๆสอนเขาก็แทนที่จะเขาจะเข้าใจเขาอาจจะกลับโกรธเรามากขึ้นไป ก, ก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องดูก่อนว่าการที่เราจะสอนใครนี้ สอนได้หรือเปล่าสอนแล้วได้เกิดผลดีแล้วเกิดผลไม่ดี ถ, ถ้าเกิดเกิดผลไม่ดีก็อย่าสอนดีกว่าแทนที่เขาจะสำนึกผิดเขากลับมาโกรธเราแค้นเรามากขึ้นก็อย่าสอนคำถามจากคุณมงคลแล้วการทำบุญแบบมีซองพระป่าหรือซองกะถินข้างในมีเครื่องวัตถุมงคลอยู่ ทำบุญแบบนี้จะได้บุญไหมครับก็อยู่ที่ผู้ทำว่ามีเจตนาต้องการยินอยากได้วัตถุมงคลนั้นหรือเปล่าทำเพราะว่ามีวัตถุมงคลถึงจะทำถ้าไม่มีก็ไม่ทำอย่างนี้ก็ยังถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนอยู่แต่ถ้าทำโดยไม่สนใจว่ามีหรือไม่มีเขาให้มาก็รับไว้แต่ไม่ได้ยินดีไม่ได้อยากได้สิ่งนั้นอยากจะทำบุญอยากจะเสียสละ หรืออาจจะให้วัตถุมงคลที่เข้ามาให้ให้มานี่ให้คนอื่นไปอย่างนี้ก็จะได้บุญเต็มที่เพราะไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนค่ะคำถามจากคุณฟูเมื่อเช้านี้ดูข่าวมีต่อไปต่อยเด็กจนตายเจ้าหน้าที่มาดูแลและจัดการกับตัวต่อหัวเสือโดยการเผารังอย่างนี้บาปไหมครับ ทั้งที่เขาช่วยเหลือผู้อื่นไม่ให้โดนต่อต่อยต่อไปก็ไปทำให้ตอมันเดือดร้อนมันก็บาปเหมือนกับคนมาเผาบ้านเร า, เาคนอีกต้องหลายคนที่อยู่ในบ้านเราอาจจะไม่ได้มีมไม่ได้ ทำอะไรเสียหายแต่อาศัยอยู่บ้านเดียวกันแต่คนที่ไปฆ่าคนแล้วหลบมาอยู่บ้านนี้เขามันเลยมาเผาบ้านนี้ทั้งทั้งหลังมันก็ทําให้คนที่ไม่รู้เกี่ยวข้องก็เสียหายเดือดร้อนไปด้วยก็เป็นการไปสร้างเวรสร้างกรรมให้กับคนที่เขาไม่มีเวรมีกรรมกับเราเขาก็จะจองเวรจองกรรมกับเราว่าอเนี้ยตัวนี้มันทําให้เราไม่มีบ้านอยู่อันนี้ก็เหมือนกันเรา ทำความดีด้วยการไปทำร้ายมันก็ได้ทั้งสองอย่างความดีก็ได้ได้ช่วยเหลือโด ย, ดยได้ช่วยเหลือคนคนหนึ่งแต่ก็มาทำร้ายสัตว์นี่มันก็ได้ทั้งบุญได้ทั้งบาปพูดง่ายง่าเพราะมันเป็นการกระทำสองอย่างควบคู่กันไปทำบุญแล้วก็ทำบาปด้วยเหมือนกับคนที่ไปขโมยเงินแล้วก็มาใส่บาตรเอาเงินไปซื้ออาหารมาใส่บาตรแต่เป็นเงินที่ขโมยเข้ามาอย่างนี้ เงินที่ขโมยมาก็เป็นเป็นบาปแต่เงินที่เอามาซื้ออาหารใส่บาตรก็เป็นบุญมันก็เลยได้ทั้งสองอย่างเพียงแต่ว่าผลของบาปมันจะแรงกว่าผลของบุญคําถามจากคุณบุญกองทําไมหัวหน้างานจึงไม่ชอบเราแล้วเราจะทํำยังไงครับการไม่ชอบใครนี้มันก็อยู่สาเหตุอยู่ หลายสาเหตุอย่างหนึ่งก็อาจจะมีเวรมีกรรมกันอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ชอบเราในเขาเจอคนแบบนี้เขาก็จะไม่ชอบเหมือนคนที่เขาไม่ชอบสีเขียวนี้เขาก็เจอสีเขียวเขาก็จะไม่ชอบคนที่ชอบสีเขียวเขาเจอสีเขียวเขาก็ชอบเฉะั้นคนบางคนก็เกลียดเราบางคนบางคนก็ชอบเราเพราะ บ, บางคนก็ชอบนิสัยเราแบบนี้บางคนก็ไม่ชอบนิสัยเรา หรือบางคนอาจจะในอดีตเคยมีการร่วมกันช่วยเหลือกันมาก่อนเขาก็จะชอบเราหรือในอดีตถ้าเรามีการทำร้ายกันเขาก็จะไม่ชอบเราเังนั้นก็ทำให้เราขอให้เราปร่งไว้เถิดว่าเรื่องของความชอบไม่ชอบของคนอื่นนี่เราไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะชอบก็ปล่อยเขาชอบไปเขาจะเกลียดก็ปล่อยเขาเกลียดไปเราก็อย่าไปหวังพึ่งอะไรจากเขาแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไร ถ้าเราหลบได้ก็หลบถ้าเขาไม่ชอบเราเขาจะคอยมายุ่งกับเรามาสร้างเรื่องสร้างปัญหาให้กับเราถ้าหลบหลีกได้ก็หลบกันไปอย่าไปประชิญหน้ากันถ้าจำเป็นหลบไม่ได้หลีกไม่ได้ก็อย่าไปตอบโต้เฉยๆไปอยู่กันไปคำถามจากคุณดาราพรแม่ป่วยติดเตียงไม่มีความพอใจคนดูแล จะโดนแม่ว่าบ่นเสียงดังทุกวันเราก็แก้ไขโดยไปเปิดวิทยุให้เสียงดังประมาณว่ากลบเสียงแม่ถ้าเข้าไปคุยกับแม่แล้วจะเกิดโต้เถียงกันจึงเลือกวิธีนี้ถูกหรือไม่และจะบาปไหมคะคือเราต้องเข้าใจว่าคนไม่สบายคนแก่นี่ก็ยังอารมณ์หงุดหงิดง่ายเพราะ จะทำอะไรแกอยากจะทำอะไรก็ทำไม่ได้มันก็เลยทำให้เกิดความหงุดหงิดขึ้นมาเราก็ต้องใช้ความเมตตาสงสารเข้าใจเขาปล่อยให้เขาหงุดหงิดไปปล่อยให้เขาบ่นไปปล่อยให้เขาว่าไปดีกว่าดีกว่าที่จะไปเปิดเสียงอะไรให้มันดังลั่นบ้านมันไม่ควรบ้านควรจะสงบมากกว่า เรามาหัดทำใจดีกว่าทำใจว่าอันนี้เป็นเรื่องของแม่เขาเขาเป็นอย่างนี้เราไปห้ามเขาไม่ได้เราทางที่ดีก็ทำให้เขามีความสุขให้มากแล้วเขาก็จะบุญ น, น้อยลงแต่ต้องใจเย็นๆเพราะอาจจะยากทำอย่างไร ก, ก็ไม่พอใจอยู่ดีก็เราก็ต้องก็แล้วไปก็คิดว่าเราทำให้ดีที่สุดก็แล้วกัน คำถามจากคุณจันจิดากราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าคะ่ะทุกคืนดิฉันจะสวดมนต์30นาทีนั่งสมาธิ30นาทีโดยกำหนดพุดโทโธหลังจากที่จิตนิ่งแล้วรู้สึกสะดุ้งกับเสียงรอบข้างที่เข้ามากระทบจะแก้ไขอย่างไรดีเจ้าคะ่ะ อ๋าไม่ต้องแก้ไขหรอกก็ให้รู้ว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันให้รู้เรามีสติมันสะดุ้งก็ให้มันจะดุ้งปั๊บแล้วมันก็หยุดไปถ้ามันไม่หยุดเราก็ใช้พุทโธพุทโธ ท, ทำพุทโธไปเดี๋ยวมันก็หยุดเองจิตของเราอาจจะไวต่อเสียงต่ออะไรต่างๆแต่ถ้าต่อไปเราได้ยินมันบ่อยๆเข้าเดี๋ยวต่อไปมันก็จะชินเอง ต่อไปมันก็จะเฉยได้ใหม่ๆมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ไม่เสียหายตรงไหนหมดนั้นถามหมดครับเออมีใครอยากจะถามอีกไหมถามได้นะหรือต้องมีประเด็นก่อนเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมีคําถามทางบ้านสง่งก็มาอีกตอนนี้ขอพักเดี๋ยว เรื่องของการปฏิบัติเนี่ยเป้าหมายของการปฏิบัติคือคอยควบคุมดูแลรักษาใจเราให้นิ่งให้เฉยนี่คือเป้าหมายเพราะการนิ่งเฉยของใจนี้เป็นความสุขที่สุดนะฉะนั้นเวลาใจมันไม่นิ่งไม่เฉยเราก็ต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาที่เป็นตัวที่จะควบคุมใจเราให้นิ่งให้เฉยได้ถ้าเรายังควบคุมไม่ได้ก็แสดงว่าสติปัญญาเรายังน้อย เราก็ต้องพยายามฝึกสติปัญญาให้มากขึ้นสติก็มันใช้ใช้ใช้กรรมฐานคอยควบคุมความคิดปุงแตง่งอย่าให้คิดปุงแตง่งใช้คำบริกรรมพุทโธโดยจะใช้อย่างอื่นก็ได้มีหลายวิธีด้วยกันบางคนระลึกถึงความตายก็ทำให้ใจสงบได้แต่บางคนระลึกถึงความตายแล้วก็ใจเครียดขึ้นมาก็ใช้ไม่ได้ ่งแล้วแต่เจริตของแต่ละคนมันมีหลายวิธีที่จะทำให้ใจละงับความความฟุง้งซ่านแต่วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือพุโทโธพุโทโธหรือถ้าไม่ชอบพุโทโธจะใช้วิธีสวดมน์ก็ได้สวดมน์ไปเรื่อยๆสวดแล้วใจเราก็จะเบาจะเย็นจะสบาย ถ้าเราอยากจะสวดโดยที่ไม่ต้องไปนั่งทีห่หน้าห้องพระก็สวดในใจทำอะไรก็สวดไปได้ถ้าไม่ต้องใช้ความคิดกับงานที่เราทำเช่นทำกับข้าวหรือหุงข้าวแล้อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแล้วใจมันจะคิดพุ่งสร้างก็ใช้การสวดมนต์หยุดมันได้ไม่ต้องไม่ต้องไปรอนั่งที่ห้องพระก่อนถึงจะสวดมนต์ได้การสวดมนต์ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่ง เรียกว่าธรรมานุสติแล้วเลิกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าแทนที่จะเลิกถึงพระพุทธเจ้าคือพุทโธพุทโธเราก็มาเลิกถึงคำสอนก็ได้เหมือนกันมันเป็นวิธีที่จะควบคุมจิตใจของเราให้ให้ใหนิ่งให้สงบแล้วต่อไปถ้าเรามีสติแล้วพอใจเราตื่นเต้นตกใจสะดุ้งเราก็ใช้สติหยุดมันได้มีคาถามไหมนีม่แหะครับ คำถามจากคุณประภัฒสอนขณะที่เราฟังธรรมเราสามารถเจริญสติไปด้วยได้หรือไม่คะและต้องทําอย่างไรออถ้าเราตั้งใจฟังธรรมก็แสดงว่าเรากําลังเจริญสตินะถ้าเราไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจเราจดจ่อยอยู่กับเสียงธรรมก็เป็นการเจริญสติอย่างหนึ่งที่เรียกว่าธรรมานุสตินี่เองแทนที่จะสวดก็ฟังพระสวดแทนฟังพระเทศแทน คำสอนของพระคำพูดของพระนั้นก็เป็นเหมือนเสียงสวดมนต์เพียงแต่ว่าเราเข้าใจความหมายด้วยเพราะเป็นภาษาที่เราเข้าใจถ้าเราสวดมนต์ น, นี้เป็นคำสอนแต่เราจะไม่เข้าใจเราจะไม่ได้ปัญญาความรู้แต่เราจะได้สติถ้าเราจดจ่อยอยู่กับคำสอนกับกับบทสวดมนต์นั้น เพราะฉะั้นขณะที่เราฟังธรรมด้วยการด้วยความตั้งใจฟังอย่างเดียวไม่ไปคิดไม่ไปพูดไม่ไปทําอะไรนี้ก็เท่ากับเรากําลังเจริญสติไปนั่นเองอ่ามีคําถามเลยหรือจะกลับอ๋อจะกลับเอออ่าทาง น, นี้มีคําถามอ่าอ่าทานได้คือหนูสวดอะชินบัญชรนะคะหนูสวดไม่นานหนูก็จําได้ค่ะแต่ว่า พาหงมหากาค่ะหนูสวดมาก่อนชินะบัญชรถ้าหนูไม่ได้ดูหนังสือหนูจำไม่ได้ค่ะมันเป็นเพราะอะไรคะก็เพราะว่าเราจำไม่ได้ก็จำได้มันเดินเพ่อเลย <c oughs> ว่าว่าบทนี้อาจจะเราเคยจะจำมาก่อนหรือเปล่าชาติก่อนเราเคยสวยดมาก่อนมันฝังอยู่ในใจเราก็ได้ก <c oughs> องเก่าถ้ามีอยู่มันก็จะทำให้จำง่ายไ <c oughs> ม่ต้องไปสนใจให้รู้ก็แล้วกันว่าอันนี้จาง่ายอันนี้จาไม่ไม่ง่าย แต่อยากจะจําก็ต้องสวดบ่อยๆสวดบ่อยๆต่อไปมันก็จะจําได้แล้วก็มีอีกข้อนะค่ะ <c oughs> คือว่าหนูนเห็นที่ตามวัดต่างๆอะค่ะที่เขาจะมีสังฆทานนะคะถ้าสมมติว่าเขามีไว้แล้วแล้วเราไปเอาอันนั้นมาเหมือนใส่20สบาท30สิบาทอยังไงค่ะแล้วแต่ศรัท ธ, ธาแล้วก็เอามาถวายใหม่อย่างนี้มันจะได้บุญไหมคะก <c oughs> ็ได้ตามจํานวนเงินที่เราใส่ไปนะถ้าทำยี่สิบาทก็ได้ยี่สิบาท เราจะไปเอายี่สิบาทไปซื้อของมาเองแล้วมาถวายเราก็ได้บุญเหมือนกันมันอยู่ที่จำนวนเงินที่เราเสียสละไปอยู่ที่จิตใช่ไหมคะอยู่ที่เงินไม่ได้อยู่ที่จิตถ้าอยู่ที่จิตก็ไม่ต้องใช้เงินเลยขอบพระคุณค่ะ <c oughs> จ, จิตมันมันมันไม่เป็นของจริงถ้าไม่มีเงินเพราะเงินเงินนี่เป็นตัวที่ทำให้จิตมันเป็นจริงขึ้นมา เพีงแต่คิดจะทําบุญร้อยบาทแล้วไม่ได้ใส่ไม่ได้เอาเงินร้อยบาทใส่เข้าไปในตู้มันก็ไม่ได้บุญมันต้องมีเงินร้อยบาทด้วยมันถึงจะเป็นบุญเพราะมันไปสะเทือนกิเลส ท, ที่มีอยู่ในใจกิเลส ท, ที่มันรักเงินร้อยบาทพอต้องเสียงเงินร้อยบาทไปกิเลสก็ตายไปร้อยบาทพอกิเลสตายไปร้อยบาทตัวเสียดายตัวตัวหวงเงินมันก็เลยทําให้ใจเกิดความเบาใจสุขใจขึ้นมาเพีงแต่คิดเฉยๆกิเลสไม่ตาย คิดแล้วต้องทําด้วยถ้าเชเ ก, กิเลตมันยึดติดกับอะไรก็ต้องทําสิ่งนั้นถ้าติดกับแฟนก็ยกแฟนให้ก็ไปเลย <c oughs> แล้วจะเบาใจจะสบายใจไม่ต้องมากังวลมาต้องมาทุกข์กับแฟนอีกต่อไปเพียแต่คิดเฉยๆว่ายินดีจะยกให้เขาแต่ไม่ยกสักทีนี้มันก็ยังไม่เบาใจสบายใจเข้าใ <c oughs> จไหมมันอยู่ที่ใจแต่มันก็ต้องอยู่ที่ของที่ใจไปติดอยู่ด้วย ใจต้องสละของที่ติดเท่านั้นมันถึงจะทำให้ใจเบาใจสบายใจมีความสุขตอนนี้ใจของพวกเราติดอยู่กับเงินทองกันมากรักหัรักเงินทองห่วงเงินทองทุกข์กับเงินทองพอเราสละเงินทองไปความห่วงความทุกข์กับเงินทองนั้นก็จะน้อยลงไปพอไม่มีเงินทองเหลืออยู่เลยก็ไม่มีความรักความห่วงความทุกข์กับเงินทองเลยต่อไปคําถามจากคุณคกฤษคุณ กราบพระอาจารย์ครับมีโยมฝากถามคำประกันให้คนรู้จักแต่เขาไม่ส่งเลยต้องส่งเองเป็นวิบากกรรมไหมครับแล้วที่ช่วยเขาไปจะได้บุญไหมครับถ้าเราคิดว่าเป็นการทำบุญก็ได้บุญนะแต่ถ้าเราคิดว่าทำเพราะถูกบังคับไม่ทำแล้วยังอยากจะได้คืนอยู่มันก็ยังไม่บมัน ไ, ไม่เป็นบุญเพราะใจเราก็ยัง ยังยังอยากได้คืนความอยากได้คืนเลยทำให้ใจเราเครียดใจเราไม่สงบแต่ถ้าเราคิดว่ า, ายกให้เขาไปเป็นการทำบุญไปใจเราก็จะสงบใจเราก็จะมีความสุขเป็นบุญขึ้นมาคำถามจากคุณฉลองการปฏิบัติธรรมถึงขั้นไหนของพุทธบริษัทที่จะถือว่าเอาตัวรอดได้ในชาตินี้ครับ ก็ต้องเข้าสู่พระอริยเจ้าระดับพระอริยมรรยผลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปก็จะพ้นจากกระบายพราะเป็นพระอริยะบุคคลแล้วจะไม่ไปเกิดในกบายถ้าพบชาติที่เหลืออยู่ก็จะเป็นสุคติไปจนถึงพันธิพานพระโสดาบันก็เหลือไม่เกินเจดชาติพระสกิดาคามีก็เหลือไม่เกินหนึ่งชาติ ถ้านาคามีก็ไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปไปเกิดเป็นพรมแล้วก็ไปไปบรรลุไปนิพพานต่อไปคำถามจากคุณฟูการทำภาวนาอย่างเสมอด้วยการพยายามบันทึกเอาไว้ทุกวันและรวบรวมตัวเลขเป็นเดือนเป็นปีอย่างนี้เพื่อให้รู้ว่าทามาได้มากเพียงใด เพื่อเป็นกำลังใจให้ตนเองอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับเราไม่ต้องไปทำบัญชีหรอกมันใจมันทำมันของมันโดยอัตโนมัติอยู่แล้วทำไปเดียวบางทีมันก็มันเป็นแค่ตัวเลขมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวจริงก็ได้เพราะตัวจริงนี่วัดอยู่ที่ใจใจเราสงบมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นอันนั้นะเป็นผลวัดของการทำบุญทำไป ปฏิบัติธรรมของเราเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเขียนบัญชีเราเพราะว่ามันที่มันจะเป็นตัวเลขตอมก็ได้นะมันจะไม่ได้ทําให้เรารู้สึกอะไรหรอกมันผลมันอยู่ที่ใจของเราแล้วผลมันจะแสดงอยู่ในใจของเราถ้าเราปฏิบัติมากขึ้นมากขึ้นใจเราก็จะสงบมากขึ้นมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นไปให้ดูที่ใจดูผลที่ใจก็พอ แต่อยากจะเขียนก็ไม่ห้ามแต่กลัวว่ามันจะเป็นบัญชีหลอกมันจะทำให้เรามันมันไม่ได้มีผลจริงจงจังๆเ ร, ร, ร, รเวลาเศร้าโศกเสียใจดูบัญชียังไงมันก็ไม่มีมันก็ไม่หายจากความเศร้าโศกเสียใจได้ให้ดูที่ใจดีกว่าเวลามันเศร้าโศกเสียใจเราเอาบุญที่เราทำไว้มาดับมันได้หรือเปล่าจะดีกว่าหมดเวลาเราเอาคถามสุดท้ายก็แล้วกัน คำถามจากคุณบุญเรียงกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเมื่อวานโยมได้สวดบทพาหุงอยู่ๆก็แน่นหน้าอกขึ้นมาประมาณห้านาทีไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเป็นเพราะอะไรมันแปลกๆค่ะไม่เคยเป็นแบบนี้ปกติจะสวดมนต์ตอนเช้าเกือบทุกวันค่ะ อ๋อไม่แน่หรอกบางทีมันเป็นเรื่องของร่างกายก็ได้บางทีร่างกายมันมีอะไรผิดปกติขึ้นมามันก็จะแสดงอาการขึ้นมาได้พอดีมันมาเกิดตอนที่เราสวดมนต์อยู่มันก็เลยไปคิดว่าเป็นเรื่องของการสวดมนต์ถ้ามันเป็นเรื่องของการสวดมนต์มันต้องเกิดขึ้นทุกครั้งที่เราสวดมนต์ถ้ามันเกิดอย่างนี้ถ้ามันเกิดแล้วมันหายไปก็รู้ว่ามัน เป็นเรื่องผิดปกติของร่างกายไปถ้าเป็นบ่อยๆก็ต้องไปหาหมอให้หมอก็เช็กดูว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาร่างกายเดี๋ยวมันก็เป็นตรงนั้นเป็นตรงนี้ขึ้นมาเห็นมันเป็นเรื่องของร่างกายที่จะต้องเจ็บต้องเจ็บไข้ได้ป่วยยิ่งอายุมากอาการที่มันเจ็บตามร่างกายนี้มันจะมีมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆ